ท่านพระเทราชุเถระซึ่งมีท่นโโนน า, านเป็นคนประสูติผลคณะปรณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยนรพิศลาโกตอนราชพิลัยพิษยาเขกศขอนแก่นเป็นต้นขอเจริญพร ท่านรองศาสตราจารย์ดรกรรุธิดาขงสุขคณะบรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกตพรอมท่านท่านผู้บริหารท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วม ในพิธีทำบุญทำตุศรฉลองครบรอบ40ปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์40ปีที่ได้ดำเนินกิจการมาสั่งสมป่องความรู้และประสบการณ์ไว้มากที่เดียว ถ้าเป็นคนก็ถือว่าอยู่ในวัยที่มีความรู้มีประสบการณ์มากแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดในฝันเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบอาจจะเป็นก้าวกระโดดต่อไปของคณะนะเป็ น, นมิตหมายที่ดีเมื่อถึงวันสำคัญ อันท้ายวันเกิดไม่ว่าจะเป็นของคนหรือขององค์กรเขาให้ทำหน้าที่สองอย่างหนึ่งเหลียวหลังสองแหล่หน้าเหลียวหลังดูช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร จะได้นำมาปรปับปรุงหรือเป็นบทเรียนให้แลไปข้างหน้าคือวางแผนไปสู่อนาคตมันไม่ใช่เริ่มใหม่แต่ว่ามันมีทุนเดิมอยู่ที่เราจะต่อยอดต่อไปในฐานะองค์กรคือคณนะดังนั้นการที่มาจัดกิจกรรมเช่นนี้ก็เป็นช่วงของ การเลี้ยวหลังแหล่หน้าและการเดินไปข้างหน้าก็ไม่ใช่เกี่ยวกับองค์กรอย่างเดียวเกี่ยวกับบุคลากรด้วยทั้งผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษากทบทวนบทบาทของตนเองที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนี้ด้วยและเมื่อสิ่งที่เป็นอง์รวม คือคณะเจริญเติบโตเราก็เติบโตไปพร้อมกันทำอย่างไรมันจงจะเดินไปสู่เป้าหมายไปในทิศทางที่ผืนประสงค์มันมีองค์ประกอบอะไรที่จะมีส่วนช่วยก็มาพูดมาคุยกันการที่ได้มานั่งตรงนี้ก็เหมือนกับมีส่วนร่วม ในการที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้เดี๋ยวหลังแล่น้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตั้งก็คือทำมาพิบาตเพื่อการทำงานอย่างผาสุขก็ไม่ได้ไหมายความที่ผ่านมาได้ผาสุแต่หมายถึงว่าต่อไปนี้เพื่อเนี่ย อนาคติีณ ป, ประสงค์เราจะทำงานอย่างผาสุกกันมากขึ้นและธรรมมาพิบาลจะมีส่วนสำคัญตรงนี้อย่างไรก็จะเป็นประเด็นที่จะมาพิจารณาร่วมกันในอันดับต่อนี้ไปซึ่งในเรื่องของธรรมมาพิบาล น, นั้น เป็นศัพท์บัญญัติในภาษาไทยแต่เดิมเราไม่มีทางราชบัณฑิตยสถานท่านบัญญัติศัพท์ขึ้นสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมานั้นอยากไปติดที่คำศัพท์ในภาษาไทยว่าหมายถึงอะไรเราต้องไปดูต้น ต้นต้นตำรับก็คือคำที่เราบัญญัติว่าในในภาษาภาษาคาว่าคมอภิบาลเนี่ยหมายถึงคำในภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรในภาษาไทยก็ต้องหมายความว่าอย่างไรเขาเรียกสารบัญญัต มิฉนั้นจะมานั่งเถียงกันอย่างเช่นในคณะมนุษยาศาสตร์เรามีภาควิชาปรัชญ า, จ, าจะมานั่งแปลว่าปรัชญาแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยปรัชญาคือปัญญาปัญญาคือปรัชญาไม่ต้องเถียงกันเพราะปรัชญามันเป็นศัพท์ระยัดหมายถึงฟ s o ล h y ฟ, ฟีฟิลโลสอฟีคืออะไรนั่นแหละคือปรัชญาทํานองเดียวกัน Good governance คืออะไรนั่นคือธรรมาพิบาตแต่นักภาษาก็จะอดไม่ได้ว่ามันตรงหรือเปล่าระหว่างธรรมาพิบาลกับ good governance ความหมายของตามตัวอักษรเนี่ยมันตรงกันหรือไม่ถ้าเราดูในศัพท์ที่เรามาบัญญัติก็คือธรรมะกับอภิบาลซึ่งมันมีคำว่าธรรมะ กับอธิบาลคือบำรุงรักษาการปกครองดูแลมันก็เป็นธรรมมาภิบาลแต่คำว่ากู๊ดการแบนซ์การแบนซ์ก็น่าจะเป็นอธิบาลอาธิบาลโดยท ร, ร ม, มันก็ทำให้เกิดความดีมันก็เลยเป็นการบริหารจัดการที่ดีมันก็พอไปได้ไปด้วยกันได้แต่มันก็คือกู๊ดการแ a นซ์ถ้าโดยคำว่าธรรมมาภิบาลมันก็คือการบริหารการปกครองโดยธรรม ซึ่งตรงกับพระประสงค์บรมราชโองการของรัชกาลที่ก้าอ่ะเราจะคลองแผ่นดินโดยทรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนั้นคือคลองแผ่นดินแบบธรรมมาพิบาลก็จะเกี่ยวข้องกันโดยตรงทีนี้ธรรมมาพิบาลในในภาษาอังกฤษเนี่ยคือ good governance ก็มาบัญญัติ ใช้ในภาษาไทยว่าธรรม毗ปัตในในคําหรือคํานิยามที่ค่อยๆพัฒนามาในรอบยี่สิบปีก็แล้วกันตั้งแต่เราเริ่มใช้คํานี้เมื่อยี่สิบปีคือครึ่งอายุ ข, ของคณนะคณะอยู่มาได้ยี่สิบปีเขาก็มีคําว่าธรรมิบัลเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วในยี่สิบปีเนี่ยความหมายมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อย จนมาลงตัวแล้วเก็บไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2,000 ปีเศษเนี่ยไปหาดูมันจะมีทั้งคาว่าธรรมมาพิบาลก็อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตราไหนเดี๋ยวจะบอกแล้วก็ถ้าเราจะหาแต่ธรรมมาพิบาลอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาไม่ได้เขียนว่าธรรมมาพิบาลในรัฐธรรมนูญเองเ แต่ไปเขียนว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแทนซึ่งไม่ได้มาใช้คู่กันด้วยนะบางทีถ้าดูแล้วเราจะหลงประเด็นเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยไอหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยในรัฐมนูญเนี่ยมาตรานหนึ่งเขียนว่าธรรมิบาลอีกมาตราหนึ่งไปเขียนว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาแต่คำว่าธรร ม, มาิบาลมันก็จะตก ประเด็นนี้ไปเดี๋ยวแต่มาจะเชียร์ดูวมาตราไหนสรุปแล้วเราก็อยู่ในยุคที่คำนิย่างน่าจะตกผลึกแล้วแหละไปประจุในรัฐธรรมนูญเลยแหละก็คือธรรมาพิบาลกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยก็ไปด้วยกันได้ทีนี้เริ่มใช้คำว่า good governance ในระดับโลกเนี่ยปี 2,532 โดยธนาคารโลกได้ใช้เป็นครั้งแรกในรายงานเมื่อปีนั้นในเรื่องซับซานาราแอฟริกศ า, ศ า, ศ า, ศาในรายงานของ World b a n เนี่ยมันจะมีคำว่า Food เ o อ e r n แนนซ์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก และถ้าเราดูที่มาของการใช้เรื่องฟูดการแบนเนมันอยู่ในภาคการเงินการธนาคารเป็นจุดเริ่มต้นอย่างธนาคารโลกแล้วต่อมา IMF ก็เอามาใช้ตอน เข้ามาช่วยประเทศไทย240โลกสมัยต้นอย่างปุ้งมาบางังคับโดยสามฝ่ายเป็นเงื่อนไขในการที่ส่งเงินมากู้สภาพเศรษฐกิจของไทยมันก็เข้ามาผ่าน IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่คอนเซปต์นี้มันขยายไปเป็นของสหประชาชาติคือ UN สหาประชาชาติใช้พวกไปหมดแล้วนี้มันไม่ใช้แต่ภาคการเงินภาคธุรกิจล่ะบริหารการปกครองอะไรใช้หมดเลยปัจจุบันนี้เมันเริ่มจากภาคเศรษฐกิจก่อนแล้วมันก็ขยายไปการบริหารการหลักกิจการที่ดีทุกองค์กรทุกองค์ขารใหยกต้องใช้ good governance โดยลักษณะแล้วมีสองประเด็นในการ ดำเนินการเรื่องการบริหากรกิจการที่ดีเนี่ยหนึ่งให้ใช้ในเรื่องกระบวนการการตัดสินใจเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงบอร์ดก็ดีสภามาวิัลก็ดีหรือที่ประชุมคณะกาญจนจะตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้กระบวนการตัดสินใจด้วยคูน o v e r n น n ซ e ธรรมอพิบาทและผู้รับไปปฏิบัติ ไปดำเนินการตามกระบวนการตัดสินใจนั้นก็จะต้องมีกู o ์กบันเทิสิเป็นกระบวนการที่ดีในการปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีสองชั้นขั้นหนึ่งเป็นเป็นกระบวนการที่ดีในการด e ซิชันเมคกิ้งการตัดสินใจอันที่2เป็นกระบวนการที่ดีในการอิมเพลเมนต์ชัน ปฏิบัติตางทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมาพิบาติส่วนมากฝ่ายตัดสินใจก็มาบอกให้ผู้ปฏิบัติต้องมีธรรมาพิบาตฝ่ายผู้ปฏิบัติก็จะไปบอกผู้ตัดสินใจให้มีธรรมาพิบาตเกี่ยงกันเนาะเลยไม่รู้ใครถามฝ่ายฝ่ายฝ่ายข้าราชการก็บอกรัฐบาลอะไยต้องมี สภานี่ยแหละทางสภาทางอะไรกับออกกฎหมายเพื่อให้เรามีธรร ม, มาภิบาลแต่ที่จริงมันมันทั้งกระบวนที่เวลาเขาเขาบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไปนึกว่าธรร ม, มาภิบาลคือปกครองโดยธรรมเราก็ไปนึกแต่ว่าผู้ปกครองผู้บริหารในคณะกรแต่ละบดีอะไรทำแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีหรือมันต้องหนีอีกมันตั้งแต่ระดับท็อปจนถึงรากหญ้าเนี่ยมันต้องมีธรร ม, มาภิบาล อันเนี้ยเวลาที่เขาพูดในภาษาต้นฉบับเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้แต่เวลาเราเอามาใช้เราจะมักถึงมักจะได้ถึงในระดับผู้ที่ตัดสินใจหรือในระดับบริหารซึ่งแต่ที่จริงมันเป็นกระบวนการทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับพวกเราที่นั่งอยูท่ที่นี่ที่นี้ทั้งหมดนั่นแหละมันจะถึงมันถึงเข้าไปถึงเรื่องการทำงานอย่างผาสุกได้ ก็คือทั้งผู้ปฏิบัติทั้งผู้บริหารทั้งหลายต่างมันเกี่ยวข้องหมดเกี่ยวข้องอย่างไรเล้วจะค่อยๆพูดให้ฟังทีนี้เล่าในเชิญที่มาของคำว่าธรรมอาภิบาลมาถูกสังคมไทยเนี่ยได้เท้าความเลย ว, ว่ามันมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตกเศรษฐกิจสัร้อที่เราลดค่างเงินบาทกันแล้วกันหลายคนอาจจะหลายคนเกินทันแต่ยังจาความได้หรือเปล่าไม่รู้ บางทีก็เป็นความจัดที่ขมขืนพยายามลืมไปเราอย่างที่เห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยหนี้รอบมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไรเท่าไรสรุปแล้วเราจะใช้หนี้นั้น น, นะนะเพราะว่าค่าเงินบาทมันโดนทุบไปถึงจาก25บาทต่อเหรียญสหรัฐเป็น50กว่าบาทเนี่ยแล้วเราไปกู้เข้ามาเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราทำงานฟรีเพื่อใช้หนี้เนี่ย10ปี หนึ่งทศวรรษที่ศู์เปล่าไม่ได้กำไรอะไรเลยใช้นี่อย่างเดียวตั้งแต่สี่สิบถึงห้าสิบและห้าสิบถึงหกสิบใช้นี่เสร็จทะเลาะกันอีก เ, อเลยไม่รู้จะไปพัฒนาตอนไหนเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็อาเป็นว่าอยู่ในวิกฤตเนะี่ยวิกฤตการเงินเสร็จมาวิกฤตการเงินหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยน่าจะดีนะพยายามหายใจต่อไปจื จะจะได้อยู่อย่างฐาสุขเลยนะทีนี้เมื่อเราคงนึกออกนะเราเป็นหนี้เยอะมากเน่ยแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเราเก็บไว้น้อยจะใช้หนี้มันไม่ทําให้คนมีความมั่นใจมันจะต้องมีเงินมาค้าประกันให้ประเทศเพื่อเจ้าหนี้นอกประเทศเขาจะได้มารีบเม่ดเม็มารีบเก็บเงินเราอะ่ะแล้วใครมาค้าประกัน IMF IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะมาเอาเงินเหมือนกับมามาประกันเราไว้แต่เราต้องใช้คืนไอเ บ, บนะแต่ทําให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่มารีบเก็บเงินไม่งั้นมันก็จะล้มระในหน้ า, นาเหมือนกับคนรีบไปถอนกงินจากแบงก์เ่ยถ้าประเทศไทยเป็นเป็นลูกหนี้เกิดทุกฝ่ายมาเอาไปหมดเนี่ยเราแย่แ น, น่ไอเฟบก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบนะฉันมีเงินประกันให้เวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะในประเทศไทยในะปี40เน่ย ได้อ่านบทความในหนังสือบักรบอกโพสต์ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันเป็นที่ปรึกษาด้าสเกิจอยู่ที่ลาวหรือหรือกัมพูชาหรือกัมพูชาจะไม่ได้เขาอยู่ใกล้บ้านเราพอดีเลยและมันก็เกิดวิกฤตต้นยำกุ้งขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญเยอรมันคนนี้แกเขียนบทความวิเคราะห์ เรื่องต้มยำกุ้งของไทยมาลงในบางกอกโพสพอดีได้อ่านอาตมาได้อ่านแล้วสะดุดใจอยู่ประโยคหนึ่งก็คือเขาบอกว่าที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำวิกฤตเศรษฐกิจสกในประเทศไทยเนี่ยเพราะประเทศไทยไม่มีฟูดก g o v เว n a นซ์ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยในประเทศไทยเร ย, ยังไม่รู้จักธรรมมาพิบาลไม่รู้จัก g ูดการ์เวนเนซ์แต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ คนเยอรมันนี่แหละฟันธงเลยเพราะไม่มีกู d Governance ยี่สิบปีมาแล้วยังเขาเขียนอะไรบ้างจำไม่ได้จำได้ประโยคนี้ประโยคเดียวอันนี้ล่ามให้ฟังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องนี้จัดจัดบทความนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บบทความไปด้วยแล้วเขาเขียนวิเคราะห์ยังไงเสร็จแล้วทาง i w เอเอาเงินเข้ามาค้าประกัน เขาก็มีเงื่อนไขว่าเอาเงินมาช่วยนี่แน่ใจหรือว่าประเทศไทยเราจะใช้นี่เขาได้เงิน i m เจะไม่ศูนย์ในฐหาหนะเจ้าหนี้เขาก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะไม่ทำผิดซ้ำไม่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเพราะต้มยำกรุ๊มเขาไทยเป็นเหตุอีกและที่มันเกิดเนี่ยเพราะไม่มี g ู o ์การบาลานซ์ เราจะเอาเงินมาให้ประเทศไทยประเทศไทยต้องมีระบบการบริหารจัด ก, การที่ดีเพื่อให้เงินเนี่ยมันกลับมาแล้วเอาไปใช้หนี้ IMF ใช้หนี้ทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจึงไม่มีทางเลือกพอรับเงินเข้ามาแล้วก็เลยมาออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี242ปี240เกิดต้นยางกุ้ง 41เนี่ย IMF เข้ามาแล้ว2042เราออกและเบียดสำนักนายกสุนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ บ, บ้านเมืองและสังคมที่ดีดูเงื่อนเวลาที่ออกเนี่ยมันชัดเลยแหละ2042เป็นโครโนโลยีนะแต่แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยให้ดูภาพนี้ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้ง ม, มนเกิดจากอะไรเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันในวงการการเงินไอ้ที่ว่าล้มบอนฟูกอะ เงินมันหายไปไหนชาวบ้านเอาเงินมาฝากไว้เลยมีใครเอาเงินไปอะไรต่างเนี่ยไป็นล้มมัินผูกเนี่ยล้มกรณนร ะ, ะนาดเนี่ยก็เพราะว่าการบริหารยกตัวอย่างนะสมัยนี้เนี่ยสมัยนั้นถ้าถ้าใครติดตามมันจะพบว่าธนาคารที่มันล้มเนี่ยเพราะว่าปล่อยเงินผู้โดยไม่มีฝามเข้มงวดเอาสินทรัพย์อะไรมาประกันก็ได้ อยากจะกู้ธนาคารเนี่ยเอาที่ดินหนองหมาว้เนี่ยไม่เคยเห็นเลยเนีย่ยเอามาประกันกู้เป็นล้านเพราะอะไรเพราะมีการปั่นปัราคาที่ดินอาศังหาริมอยมาซับราคาที่ดินมันขึ้นขึ้ น, น, นมีการซื้อกันต่อๆ่กันเลยเขาเรียกปั่นราคาจากในใ น, ในทุ่งตรงไหนก็ได้เมื่อมีการซื้อกันหลายๆทอดมันก็ปั่นราคาแล้วเอาที่ปั่นราคาโดยไม่ดูเลยว่าที่ดินราคาจริงเท่าไหร่เนี่ย เอามาค้ำประกันธนาคารแล้วก็กู้ไปพอพอไม่ใช้นี่ธนาคารไปยึดที่ดินเนี่ยราคาจริงๆมันอาจจะไม่กี่บาทไล่แล้วห้าันบาทแต่ว่าเวลาไปนั่นเป็นหลายหมื่นบาทเ่เอาเงินออกจากธนาคารธนาคารก็เลยพอพวกเบี้ยวนี่อย่างนี้มีมากก็เกิด NPL ไงนอนพรฟินโลนเนี่ยการกู้ยืมที่ไม่มีผลกับไรมากมายมหาศาลธนาคารก็ล้มอ่ะ คลัสก็ล้มเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเกิดอะไรเวลาปล่อยเงินผู้ทำไมบอดหรือกรรมการธนาคารไม่ดูให้ดีใครตัดสินใจเลยผู้จาัด ก, การแบงค์คนเดียวมันอยู่ในอำนาจของผู้จาัด ก, การคนเดียวจะปล่อยเงินให้ใครจะให้ใครยืมไปเวลาเขาเบี้ยวเขาหนี ผู้จัด ก, การก็หนีด้วยแต่มีเงินไปด้วยไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแสดงว่าอะไรให้อํานาจเนี่ยบอร์ดก็มีกรรมการธนาคารก็มีแต่ให้อํานาจการตัดสินใจของแก่คนคนเดียวในเรื่องที่เสี่ยงมันจึงเกิดคําถามว่าแล้วแล้วผู้จัด ก, การทํายังไงก็แต่งตัวเลขไงแต่งตัวเลขว่ามีผลกําไรธนาคารได้ได้ดี งบงิงีบไม่มีใครรู้ไม่โปร่งใสที่มาของตัวเลขเหล่านั้นไม่มีใครรู้รู้อยู่คนเดียวไม่โปร่งใสทําอยู่คนเดียวไม่มีส่วนร่วมมันก็เกิดคันศรัทก็อะไรมันจะต้องมีส่วนร่วมโปร่งใสใครรับผิดชอบที่เรามาพูดกันในปัจจุบันเนี่ยแต่ตอนนั้นมันไม่มีทั้งความโปร่งใสไม่มีทั้ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยจะปล่อยงเงดี๋ยวนี้ถ้าท่านจะไปกู้เงินธนาคารเป็นไงตรวยิบเลยต่างกันมากเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินของไทยเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะตรวยิบเลยจนกระทั่งไม่รู้จะกู้ยังไงเอาเป็นว่านี่ไงเราเรียก Good governance ว่าทรมาพิบาต Bad governance ว่าอารทมาพิบาตเพราะฉะนั้นมันระหว่างธรรมกับอาธรรมนะในสมัยที่เกิดต้ยมยำกุ้งมันก็จะเกิด Bad governance ก็คือหนึ่งไร้ประสิทธิภาพสองระเบียบหยุมหยิมโดยจำเป็นบริหารผิดพลาด Corruption เนี่ยแล้วก็ไม่โปร่งใสก็คือมีแต่ความลับเนี่ยนี่ปล้นเงินไปหมดนะ เราก็เลยเอา o ูดก v e เ n น n ซ e มาจาัด ก, การในยุค IMF อ่ะมันก็จะเกิดเนี่ยองประกอบเช่นรูนออฟลอปกนิติธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมรับผิดชอบยั่งยืนนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าตัวธรรมาพิบาลมาปรากอาธรรมแล้วมันก็เข้ามาในยุค IMF แล้วมันก็ดีแม้เราใช้นี่ไปแล้วมันก็ ควรจะขยายจากภาคธุรกิจการเงินไปภาคการปกครองการบริหารบ้านเมืองเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันยังอยู่ไอตัวคอร์รัปชันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอา Good Governance เนี่ยเขาจึงหมายถึงว่ามาช่วยปราบคอร์รัปชันด้วยฉะนั้นรัฐมนูญในฉบับที่มันตกไปอ่ะปีห้าเก้ามีันเขาเรียกฉบับปราบโกงนึงกออกไหมทำไมเรียกฉบับปราบโกงอ่ะปีห้าแปดห้าเก้า และธำรงที่ที่ตกไปนะั้นไม่ใช่ฉบับปัจจุบันนะมันมีคําว่าธรรมมาพิบาลอยู่ในฉบับปีห้าเก้าที่ตกไปเนี่ยอีกครั้งรู้ไหมเขาจะอามาปรากโกงแล้วเขาเอาคําว่าธรรมมาพิบาลเนี่ยเป็นตัวชูโรงว่าถ้ามีธรรมมาธรรมมาพิบาลเยอะๆเนี่ยนะมันจะปรากโกงได้เขาเลยเรียกและธำรูงฉบับปราบโกงแล้วมันก็ตกไปแล้วไม่ถูกใจพวกธรรมมาพิบาลหรือเปลา่า ฉบับปลากโกงที่ว่าเนี่ยเขานับนะตอนที่เข้าสภ า, าเนี่ยเขานับคำว่าธรรมามิบาลปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบั บ, บนั้กี่ครั้งหนึ่งโหลสิบสองครั้งตอนนี้เราช่วยทำวิจัยในฉบั บ, บปัญญาเมื่อกี่ครั้งที่หาได้เจอก็คือธรรมาภิบาลมีแล้วก็ไปใช้คำว่าคำเลี่ยงอหลักการ จ า, จากการบริหารบ้านเมือนที่ดีหลบๆไปไม่งั้นมันจะตราบคงเยอะไปอ่อาเป็นว่าเห็นภาพที่มาแล้วนะทีนี้มาถึงประเทศไทยใช้อย่างไรก็มีระเบียบสานักนายกปีสี่สองแล้วก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีสี่ห้าที่มีพูดเรื่องธรรมาิบาล แล้วก็ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็พกระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการด้านเงินที่ดี246แล้วก็มาถึงรัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ยหมวดหกนโยบายแห่งรัฐมาตรา65รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาพิบายอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา65แล้วก็มาตรา76แนวนโยบายหองรัฐตรงนี้น่าสนใจมากแต่ไม่ใช้คำว่ารรมาพิบาตรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนรรมิภาคส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐยันอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งถ้าเราไปดู พระราชกรีสิริกาและแล ะ, สะเสวียสำนับนายกว่าด้วยธรรมาภิบาลเนี่ยเขาใช้บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็พละราชกีสิริกาการบริหารบ้านเมืองที่ดีเนี่ยคือนี่คืออะไรนี่คือธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแล้วถ้รัฐธรรมนูญก็เลยเก็บคําว่าธรรมาภิบาลไว้ในคนํานี้โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการการจัดทาบริการสาธารณะและการใช้จา่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดไอ้คำว่าประสิทธิภาพมันก็เป็นหลักการอันหนึ่งของธรรม毗ปัตยแต่ในทางปฏิบัติเราถอดรหักคำว่าธรรมาปิบาลมาจากสหประชาชาติที่เรามาเขียน มาขยายเป็นภาษาไทยเนี่ยว่าเราจะทำอะไรกันบ้านเนี่ย u n s c a p ได้ทำผังเอาไว้ที่อยู่ลาดดําเนินเนี่ยเขาทำผังมโมทัศน์เนี่ยว่าคำว่า Good Governance หรือธรรมาพิบาลเนี่ยมันมีหลักอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างใน Good Governance ซึ่งมันหมายถึงของ UN สารลชาตินะ ก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยแปดประการด้วยกันของ UN เอมีแดอย่างต้นฉบับเลยเริ่มตั้งแต่ข้อเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยคอ n s ซนแซสโอเในการตัดสินใจเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรื่องธรรมภิบาลไป็นเรื่องของการการตัดสินใจเขาบอกว่าในการตัดสินใจนั้นขอให้เป็นเอกฉันใช้ Consensus แล้วต่อมาหลักต่อมาก็คือ accountability ต้องมีผู้รับผิดชอบ transparency โปร่งใส responsibility ก็คือตอบสนองเวลาตอบสนองอย่าไม่อธิบายนะเดี๋ยวมันจะ ม, จะมาดูว่าเวลาเขาบัญญัติตรงเนี้ยฝ่ายไทยใช้ว่าอะไรจะ อ, อธิบายตรงนั้นเอาดูที่มาก่อนตอบสนองก็หมายความว่าเวลาเราจัดการศึกษาเราตอบสนองไทย ตอบสนองความต้องการของสังคมของสเต็กคอนเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ก็คือ Responsive แลวก็อีควิทิเบิลและก็ Inclusive ก็หมายถึงความยุติธรรมเท่าเทียมกันเวลาที่เราตัดสินใจอะไรก็ตามยุติธรรมและก็ไม่แบ่งแยกรวมทุกกลุ่มทุกฝ่ายไว้ได้วยกันส่วนต่อมาก็คือ Effective ก็คือประสิทธิภาพ แล้วก็เอฟฟิเแปลว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพกับประสิทธิผลต่างกันยังไงเดี๋ยวแค่ว่ากันมาอีกอันหนึ่งก็คือดรู่รอบรอหลักนีิตรรมปฏิบัติตามกฎหมายและก็ participation, การมีส่วนร่วมหกข้อเนี่ยไอ้แปดข้อเนี่ยไทยเราเอามาหกข้อโดยรวมบางข้อเข้าด้วยกันในส่วนของการมีส่วนร่วม Con ซ็ปต์าราต่างเนี่ย เอามารวมกันแล้วสรุปออกไปเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปีสองพันสี่สิบสองที่เรามีหลักออกมาเนี่ยแล้วก็ขยายมาเป็นปัจจุบันเนี่ยเรียงลําดับไม่ตรงกันแต่ศาสตราภิรชาตเขาเรียงลำดับอย่างหนึ่งของเราเรียงลําดับอย่างหนึ่งในสหประภิรชาติเนี่ยเขาเรียงอันนี้เป็นข้อแรกสําคัญที่สุดคือหลักความรับผิดชอบ Accountability แล้วก็ เมืองไทยเรานิยมเอาไว้กลุ่มเดียวกันก็คือการมีส่วนร่วม participation หลักความโปร่งใส t r a n s p a r e n c y เนี่ยสามข้อเนี่ยพูดกันจนตายเป็นธรรมาภิบาลแบบไทยๆ ไ, ไปละเราจะใช้สามข้อเป็นหลักถ้าพูดถึงโปร่งใสมีส่วนร่วมรับผิดชอบเนี่ยมันคือเข้าใจแล้วเป็นธรรมาภิบาลเพราะว่าใช้สามข้อเนี่ย เป็นหลักแต่มันมีรูนับรอเขามีหลักนิติธรรมซึ่งเราไม่เคยได้พูดแต่ว่ามันในในฝ่ายไทยก็เอามาใช้สิ่งที่ไม่มีอยู่ในสหรชาติเราเอามาใส่ไว้คือหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยบรรญักมาจากภาษาอังกฤษไปอย่างไรถ้านลงไปเปิดดูนะในวรรณกรรมด้านี้บางคนวงเล็บคำว่าอ e ติ ไปดูแล้วเวลาเขาให้คำนิยามมันไม่ใช่เอทิกส์มันคือเมริซิสเต m แต่คนไทยพอเข้าใจว่าเป็นเอทิกก็ไปตีความคำว่าหลักคุณธรรมเนี่ยเป็นคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งผิดเจตนารมวันนี้จะพูดตรงนี้ด้วยอธิบายผิดเขาเรียกไปไหนมาสามว่าสาสอบในวงวิชาการต้องไม่ผิด ไม่ผิดอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูให้ดูแต่ละข้อไปข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงกันก็คือรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเข้าในการแล้วใช้คำเราใช้คำว่าหลักคุ้มค่าก็คือ efficiency กับ effectiveness นั่นแหละสรุปแล้วในสังคมไทยเราพูดกันหกหลักในหกหลักเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงหลักคุณธรรมทีหลังนะตามลาดับจะดูแต่ละข้อไป หลักความรับผิดชอบตามคำนิยามที่เรานิยามเนี่ยมันชัดอยู่แล้วก็คือตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยใส่ใจอะไรก็ตามตัว a e c c o t a b i l i t y เนี่ยทางสหประชาชาติเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเ็าอะไรเพราะมันเป็นที่มาของเรื่องอื่น เวลาท่านจัดการศึกษาในคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดท่านจัดเพื่อใครเอาเป็นว่าผู้เรียนการจัดผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองสเตคคนคอนุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยทางคณะต้องรับผิดชอบก็คือให้ความให้การให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพถือว่าไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้เนี่ย QA มันก็เข้ามาการประกันคุณภาพถ้าท่านเป็นคนรับผิดชอบอยู่ตำแหน่งไหนท่านจะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมเราเป็นอาจารย์เราก็จะต้องสอนอย่างเต็มสติตัตเตม็ตมกำลังสติปัญญา เป็นนิสิตนักศึกษาท่านก็ต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปลอกใครมาเวลาทำวินิพนธ์รับผิดชอบต่อผลงานแสดงถึงอะไรถึงว่าในขณะที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราก็มีเรื่องของโปร่งใสยอยู่ด้วยไม่ทุจริตไม่โกงถ้าเราไม่รับผิดชอบสักอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นมันมันงอนเง่นนะถ้าเรา เป็นครูบาอาจารย์รับผิดชอบต่อหน้าที่เราก็จะเตรียมการสอนครูมิห้พลอย่างดีเป็นบริษัทผลิตยารับผิดชอบต่อสังคมก็ไม่เอาอยาปลอมเหมือนกับที่ขงจื๊อเขาบอกว่าให้ขงจื๊อทำอะไรจะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื๊อเลี้ยงมา้าม้าจะต้องอ้วน ให้ขงจื้อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มขันร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกทําให้ดีที่สุดนี่คือความรับผิดชอบและถ้าได้คนที่มีความรับผิดชอบนี่ไว้ใจได้แหละเรื่องอื่นมันก็จะตามมาเขาก็จะทําตามระเบียบทำตามกฎหมายทำอะไร ม, มันจึงเป็นฐาน เราอยากได้คนที่รับผิดชอบจึงเป็นเป็นเป็นหลักที่สำคัญการมีส่วนร่วมเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราพูดถึงในสังคมประชาธิปไตยที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยหลักก็คือว่าอย่าไปงบกิบทำอยู่คนเดียวนั่นแหละ อย่าให้ผู้จัดการธนาคารรู้อยู่คนเดียวอย่าให้เจ้าอาวาสรับผิดชอบอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าวัดเนี่ยทาไมมีแต่เจ้าอาวาสตัดสินใจอย่างเดียวเนี่ยาบานอยากจะมีส่วนร่วมก็ไม่ยากนะมาบวชนะอยากจะร่วมเป็นยังไงกิจการว่าจะบวชเยอะๆนั่นแหละเขาอยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการใช้เงินในอะไรต่างๆซึ่งในการบริหารเนี่ย ถ้ามันมีการมีส่วนร่วมเนี่ยมันป้องกันอะไรป้องกันความเสี่ยงที่จะ ก, ก่อให้เกิดคอร์รัปชันสต ง, งนี่เขาเตือนเราเลยใช่ไหมเงินแผ่นดินตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไมหมเคยไปโยคหลักประโยคเอกเขามหาจุฬาฯก็สต ง, ง, งก็ต้องมาตรวจทุกปีแล้วเขาก็จะมาเทศเลยเราฟังเรื่องนี้และป้องกันความเสี่ยงจากการความเสี่ยง อย่าให้คนคนเดียวทั้งทาบัญชีทั้งเก็บเงินมันต้องเช็คแอนบัลลัง์ทวงดุลการมีส่วนร่วมหลายๆฝ่ายเข้ามาตรวจเข้ามาดูให้คนคนเดียวโอนเงินไปที่วัดเดี๋ยวมันก็ไปขอเงินถอนเห็นมมันเสี่ยงนะนี่ระบบมันไม่ดีนะอย่ามาโทษวัดนะ ส่งต้นทางมาได้ยังไงเงินใครมาประเข็นกอนแล้วประเข็นไว้สิอันนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมันรวมถึงการแต่งตั้งการโยกย้ายถามกันหน่อยลองคิดว่าดภาพนะถ้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการให้รางวัลในการลงโทษไม่เล่นพักเล่นพวกนี้มันจะผาสุกไหมทุกวันนี้มันเหมือนกับพวกไทพวกไท คุณหมอประเวศวสีบอกว่าสมัยที่ท่านทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยของท่านนั่นในภาควิชาแห่งหนึ่งในคณะที่ท่านอยู่มีอาจารย์เก้าคนแตกออกเป็นแปดกบท่านไม่บอกว่ามหาวิทยาลัยไหนแต่ว่าที่ท่านทำงานอะไรต้องเอามาเล่ากันเป็นเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่รู้จะมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วมันก็แตกกันเพราะอะไร เร า, าจะมองว่าเพราะแข่งแย่งผลประโยชน์แย่งอาหารกันกินแย่งถิงกันอยู่แย่งคู่กันพิสวาส่าแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ถ้าไม่มีธรรมมาธิบานมันจะเป็นอย่างนั้นและมันจะไม่มีความสุขในการทำงานเพราะจะระแวงกันการมีส่วนร่วมทวงดุลมีส่วนสำคัญหลักความโปรง่งใสโปร่งใสไปมาจากภาษาอังกฤษว่า การพอเอนซีท่านดูหลักไฟนะมองทนะลุโปร่งใสข้างในมีอะไรเรารู้หมดการทำงานที่มันโปร่งใสก็คือคนอื่นมองเห็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบถ้ามันทึบคือมองไม่เห็นมาถามชี้แจงได้ตอบได้เหมือนกับที่ในวงการพวกเราเนี่ย ทำไมได้ A A บวกถ้าสงสัยตอบได้วินียไม่พ้นก็ดีคะแนนก็ดีเวลาประเมินข้าราชการทำไมได้สองขัน้นหรือคะแนนเต็มมันมีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและถ้าสงสัยชีย้แจงในที่ประชุมได้ไรได้เนี่ยคือกระบวนการโปร่งใสและมันสบายใจ หลักนิติธรรมหลักนิติธรรมเขาหมายถึงกฎหมายที่มันเป็นธรรมด้วยและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันก็คือศี่รษาบัญญาตาประเด็นก็คือหนึ่งกฎหมายเป็นธรรมแลเบียบเป็นธรรมไหมอิงเขาไไ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่า 2. การปฏิบัติตามนั้นมันหลายมาตรฐานหรือไม่ถ้ามันหลายมาตรฐานก็ตีกันแต่กันถ้าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย คือหลักนิติธรรมและในส่วนผู้ปฏิบัติมีบ่อยไปที่พอพอผู้มีอำนาจพ้นไปนะหรือโดนโดนเล่นงานเนี่ยไอ้ผู้ที่ทําตามผู้มีอำนาจต้องเซ็นอะไรเนี่ยเข้าคุกตามไปด้วยตอนที่ผู้มีอำนาจยังอยู่เขาปกครองคุ้มครองหลัแต่พอเขาไปแล้วเนี่ย หรือไม่มีคนคุมกันเรืออะไรกระต่างเราเดือดร้อนคนที่รอดคือใครรู้ไหมลองสังเกตดูและมักจะเป็นเสียงข้างน้อยคือพวกที่เคร่งระเบียบทําตามระเบียบเจ้านายจะมาสั่งบอกว่าเซ็ น, น, นออหน่อยอะไรหน่อยเพื่อนหน่อยมันผิดระเบียบครับให้คนอื่นเซ็นกันแล้วกันและไอ้คนอื่นที่เซ็นเนี่ยผิด ส่วนไอ้พวกที่ทำตามระเบียบแค่งระเบียบไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นบอนไซอยู่ในยุคนั้นแต่พอมีเรื่องไม่เข้าคุกอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยในยุคอธิปบดีนี้รัฐมนตรีนี้เนี่ยประเด็นคือเราถ้านะถ้าทุกฝ่ายเนี่ยทำตามระเบียบทำตามหลักนิติธรรมกฎข้อบังคับของบ้านเมืองของมหาวิทยาลัย เราปลอดภัยด้วยผู้ปฏิบัติเนี่ยนะผู้ตัดสินใจก็ปลอดภยัยและมันยั่งยืนเพียงแต่มันไม่ถูกใจคนนั้นนั่นแหละที่เขามาขอเมื่อจะทําอย่างไรถ้าเจอแบบนี้ก็ก็ต้องดูว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ที่ทําตามพร้อยตามไปแล้วก็ได้รับผลเท่าไหร่และคนที่ไม่ทําตามเขามีวิธีเอาตัวรอดอย่างไร เขาไม่เซ็นแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไปขายคนอื่นก็เซ็นได้รักษาการอะไรก็ไปตรงนี้มองอย่างนี้แจะมามองอย่างนี้วาในการทํางานเนี่ยไม่ว่าเราทําอยู่ในตําแหน่งไหนที่ใดก็ตามถ้าจะให้ปลอดภัยยั่งยืนอยู่ขอให้ทําตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบคําสั่งแล้วท่านปลอดภัยอย่างยั่งยืนสอง การทำอย่างนั้นมันเป็นความโปร่งใสในตัวเข า, าเองเพราะว่าถ้า <c oughs> ท่านจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทำอะไรตามระเบียบเก็บไว้หมดมันโปร่งใสมันชี้แจงได้แต่ถ้ามันงุบงิบลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบมันไม่โปร่งใสหรอกคนมันจะรู้เพราะฉะนั้นโปร่งใสจรงิงๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับหลักนิติธรรมและในประสบการณ์ ที่ทำงานมาเนี่ยเป็นอธิการบดีมายี่สิบปีแลตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสร้างขึ้นมาหมดเลยใช้เงินหลหลายพันล้านเนี่ยเกี่ยวกับเงินกระทองมากมายยึดหลักนิติธรรมนี่แหละทำให้ถูกระเบียบการที่เราทำให้มันถูกระเบียบมันคืออะไรรู้คนมันจะมองว่าผู้บริหารเป็นธรรม เพราะเวลาเราตัดสินใจนี่ถ้าไม่เอากฎไม่เอาระเบียบเอาหลักการเราต้องตัดสินใจตามความคิดเห็นส่วนตัวมันจะเข้าข้างคนทันทีและเมื่อเข้าข้างคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีหลักการไม่มีระเบียบเนี่ยมันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกเราจะไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าเป็นคนตรงตรงอะไรไม่ใช่ตรงเพราะตามความ คิดของหลักตามหลักนิติธรรมถ้าท่านทำตามหลักนิติธรรมถ้าท่านเป็นผู้ปกครองนะผู้ที่อยู่กับท่านเนี่ยอุ่นใจสบายใจคนทำความดีก็จะได้รางวัลทำผิดก็จะโดนลงโทษเพราะกฎมันว่าอย่างนั้นและมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิด merit system แลระบบคุณธรรมคนเก่งคนดีก็จะ จเจริญรุ่งเรืองคนที่ซิกแซกทำผิดมันอยู่ไม่ได้และนั่นมันคือยั่งยืนเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างนั้นเราอยากเห็นคณะของเราเป็นอย่างนั้นมันก็จะต้องเป็นหลักนิติธรรมนี่แหละแต่พอมาพูดทำไมบ้านเมืองเราทะเลาะ ก, กันฮถ้ามันเป็นเหมือนกันมันยุติธรรมเหมือนกันนะ ไม่มีการว่ากันไปว่ากันมาไม่พูดละไปต่ออ่ะ ใ, ในทางศาสนาบ้างอันนี้พูดพูดถึงเอาสี่ข้อกัเอาสีข้อกันนะในทางศาสนาในทางปฏิบัติเนี่ยเรื่องธรรมอธิบาลมีโดยเราไปเปิดในมหาปรินิพานสูตร ว่าด้วยสามเดือนสุดท้ายในชีวิตของพระเจ้าเป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งก็คือที่ปรึกษาหรือโปรโหิตของพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคตชื่อวัสการพาพรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาบอกว่าที่มาเฝ้าวันนี้เนี่ยนะ พระเจ้าแผ่นดินส่งมาคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเรื่องจริงในทางพระนิพนา์พระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระประสงค์จะยกทัพไปตีแคว้นวัดชีคู่แข่งก็ส่งวัสการพลพรามมาถามพระพุทธเจ้าว่าควรจะไปตีหรือไม่อย่างไรถ้าพระุทธเจ้าบอกให้ไปตีก็แสดงว่าชนะต้องไปตี ถ้าพระเจ้าบอกห้ามก็จะไม่ทำถามว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่าอย่งไรตอบว่าควรเท่ากับปยัยยุให้เขายกทัพไปตีแขวนวันชีแขวนวันชีก็จะโกรธพระเจ้าตอบว่าไม่ควรก็เท่ากับเบรกฝ่ายอาชาติศตรูไปเข้าข้าง แขว้นวัดฉีพระพุทธเจ้าพอถูกถามนี้ตอบทันทีเลยวิธีตอบของพระพรุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตอบวสการลพรามโดยตรงหันไปหาทะออนุนซึ่งเป็นพุทธอุปถากซึ่งถวายงานพัดอยู่ตอนที่วสการลพรามมาเข้าเฝ้า ถามว่าอ น, นุนแคว้นวัชีเจ้าของแคว้นวัชีตักูปเจ้าก็คือเจ้าลิชวีเนี่ยเคยมาฟังเทศตอนที่ไปสเสด็จไปที่แคว้นวัชีพรุทธเจ้าได้เทศไว้เทศไว้เรื่องธรรมะเพื่อความเจริญเจ็ข้อแล้วพระเจ้าก็ถามว่าอ น, นุน เจข้อเนี่ยที่เราสอนไว้เนี่ยตอนนี้แต่ละข้อเนี่ยเคว้นวัชีทําอยู่หรือไม่พระอานุ์ก็ตอบว่าข้อที่หนึ่งพุทธเจ้าตอบว่าข้อที่หนึ่งทีอย่างนี้เคว้นวัชีปฏิบัติตามไหมพระอนุนก็บอกว่าปฏิบัติตามอยู่พุทธเจ้าก็บอกโอถ้าอย่างนั้นวัชีมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมไล่แต่ละข้อจะครบเจ็ดข้อแต่ละข้อเนี่ยวัชีเคว้นวัชีทําหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เจริญรุ่งเรือง เมื่อจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่มีความเสื่อมแต่ละข้อที่ไล่มาแต่ละข้อเป็นอะไรบ้างเราเรียกปัจจุบันว่าวัตชีอปริหารนิยธรรมเจ็ดประการธรรมะที่ทําให้แคว้นวัตชีไม่เสื่อมอปริหานี่เนี่ยนะข้อที่หนึ่งมันประชุมกันเรืองนิดหรือไม่ประชุมกันบ่อยไหมมีสมัยประชุม เ ข, เขาปกครองด้วยระบบสภานะคือคือแคว้นพระเจ้าท่านศัตรูนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับราชาธิ่ปไตยเต็มตัวมีพระเจ้าแผ่ดินอง์เดียวแต่แคว้นรัชชีแคว้นวชิรเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแต่เอาวันณะกษัตริย์ที่เป็นเจ้าทั้งหมดสูงว่ามีห0าร้อยองค์มาเป็นสภ า, าแล้วมาโหวตกันประชุมกันตัดสินกันปัจจุบันเราเรียกว่าคณะที่ปไตย เป็นกลุ่มใหญ่เพราะไม่ได้เอาประชาชนทั้งหมดแต่เอาวกกรรณะกษัตริย์อย่างเดียวเขาเรียกว่าเจ้าฤิุวีห้าร้อยเวลาจะตัดสินใจจะมีมติเป็นมติโหวตหมดเลยทีนี้สองระบบเนี่ยมันไม่ถูกกันระบบราชาทิปไตยัยเขาเรียกสมบูรณนายาธิเนากับระบบคณาทิปไตยัย ม, มันก็จะห้ามห่างกัน แล้วราชาทิเไตัยของชาติศัตรูอยากจะไปตีคณะทิเไตยของวัชชีก็เลยมาถามเนี่ยพระเจ้าก็เลยถามถามมโนดว่าตอนนี้เนี่ยที่เคยเทศไว้เนี่ยเจ้าวัชชีทำไหมหนึ่ง ม, มันประชุมกันเดือนนิดคือประชุมกันบ่อยๆสองพร้อมเพียงกันประชุมอยู่จนหมดแล้วให้เลิกประชุมกันไม่ใช่โดดประชุม <c oughs> แล้วก็ แล้วก็ทากิจที่พึงทำนี่ทำพร้อมกันหน่อยงานคณะก็มากันพักพร้อมอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมถ้ามีก็จเจริญอย่างเดียวคณะเจริญท่านลองดูสองข้อนี้มันการมีส่วนร่วมใช่ไหมปาร์ติ i ิพิเปชนนี่คือหลักการมีส่วนร่วมในหลักของธรรม毗 า, านนั่นแหละข้อสามท่าน ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้อันขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ถือปฏิัติตา ม, ม น, นี่คือหลักนิติธรรมหลักกฎหมายหลักจารียอันนี้ก็คือธรรมมาพิบาลนั่นแหละซึ่งข้อสี่อันนี้เคารพนับถือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ไม่แตกกันเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ดูสามข้อแรกเนี่ยมันคือทำ ม, มาพิบาติจกหลักนิติธรรมหลักสามัคคีทำการมีส่วนร่วมเพราะว่าประชุมมันก็ต้องโปร่งใสใช่ไหแล้วก็ต้องมอบหมายให้ใครรับผิดชอบมันก็จะอยู่ในเนี้ข้อข้อห้านี่เคารพสิทธิสตรีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสตรีถูกคุกคามอะไรมากให้เคารพสิทธิสตรีมันก็ไม่ทะเลาะกันเพราะผู้หญิง ข้อหกไม่ย่ำยีศาสนาอื่นคำว่าเจดีคือศาสนาอื่นเขารบสิทธิความแตกต่าง้นศาสนาคำว่าเจดีนะคือศาสนาลัทธิต่างๆไม่เอาศาสนามาเป็นเหตุแห่งการทะเลาะบบาแวงแล้วก็ข้อเจ็ด ศาสนาที่ตนนับถือก็ไปหาครูบาอาจารย์ปรึกษาธรรมะอันนี้ศาสนาตัวเองหลักก็จะอยู่อย่างนี้หลักที่ว่านี้คือหลักการบริหารการปกครองบ้านเมืองที่ดีเป็นธรรมมาพิบาลในพระพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถเชื่อมกับบางหลักของ Good Governance ได้เพียงแต่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมนะ ว่าจริงๆคืออะไรทั้งหมดเนี่ยอาตอมาเล่าเพราะมันยังมีอีกหลายประเด็นก็สรุปแค่นี้ก่อนพอวัสกาละพ ร, รมได้ยินว่าวัตชีแคว้นวัตชียังทําอยู่ทั้งเจ็ดข้อพระเจ้าก็นนิ่งไม่พูดอะไรต่อไม่ได้บอกว่าอะไรเลยนะวัสกาละพ ร, รมเอาประเด็นที่พระพุทธเจ้าถามพระอานุ์พระนั้นตอบเนี่ยไปกราบทูลพระเจ้าอาชาติต่ศัตรู ว่าพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าสุสรุปว่าไม่ใช่เวลาที่จะไปตีแคว้นวัชีเพราะวัชีเข้มแข็งมีธรรมมาพิบานถ้าพูดในภาษาสมัยใหม่เออพอมีธรรมมาพิบานนี่รู้ไหมใน t ด e a อา of War ทของสุนมูอัตราพิชายสามพรม เวลาจะยกทัพไปตีบ้านไหนเมืองไหนนี่เขาให้ประเมินอะไรบ้างคล้ายๆอย่างนี้แหละหนึ่งในนั้นก็คือนอกจากว่ากําลังกองทัพเข้มแข็งเมื่อถ้าเราจะไปลุกหลานเขาเนี่ยหนึ่งในง้อข้อนั้นที่ซุนวูบอกเอาไว้ก็คือให้ดูว่าผู้ปกครองสงสุดเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมเลยมีธรรมะ ทำไมสุนทู่จึงบอกว่าต้องประเมินด้วยสุนทูอธิบายว่าสุนทู่นี่มีอายุ 2,000 ปีแล้วนะเขียนหนังสือดีอาร์ตบอใส่ไม้ไผ่เอาไว้13บทสุนทูบอกว่าเหตุที่ต้องประเมินว่ามีธรรมหรือไม่ก็เพราะว่าถ้าผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่มีธรรมะแสะดงว่าเป็นที่รักของทหารของประชาชน เขาพูดอะไรคนมันจะรวมตัวกันจะสามาคัคคีกันหมดจะรวมกันมาสู้อย่าไปลบ ก, กับเขาเลยชนะยากแต่ถ้ามันแตกกันทะเลาะกันเนะสบายมากบ้านไหนเมืองไหนก็ตามเวลาพม่าะจะยกบาเบ่กันบ้านเมืองเปลี่ยนแผ่นดินละซ้ำละสายเดียมก็จะมันก็หลักนี้แหละท่าน เมื่อผีเรือนมันไม่ดีผีป่ามันก็มาเนะ่ะมาที่วัดด้วยผีวัดไปคุ้มครองอารมณ์ค้างมาจากไหนเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเช้าเชิรู้ตัดสินแบบเดียวกันไม่ตีแล้วจนก ร, กรนนะทั่งพระเจ้าพรินิพพานเราะได้เป็นสามเดือนสุดท้ายในชีวิตพระเจา้า เมื่อพระเจ้าปรณิพานพระเจ้าสุรูกษ์ก็วางแผนประชุมเสนาอำมาตว่าจะยกทัพไปตีแคว้นวัชฉีในที่ประชุมใหญ่มีค้านอยู่คนเดียวคือวัสกาลพรามว่าไม่ควรเขาสามารถขี่กันพระเจ้าชัตรูทําเป็นพิโรธสั่งโบยสั่งเคี่ยนวสกาลพรามในที่ประชุม ต่อหน้าคนและในประเทศวัศการรามก็เลยหนีไปพึ่งใบบุญแคว้นวัดชีวัดชีก็ขอบคุณเหลือเกินที่ช่วยปกป้องไม่ให้อชาชิรูมมลุกลานรับเอาไว้เป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่สอนแนะนำเจ้าวิชวี500แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่วัศการรามจะไปอยู่เนี่ยสาเมื่อคีกันดีเหลือเกิน แต่พอวสการไปนะแกก็เป็นบานช่างยุคใช่ไหมคนนี้สิทธิ์ปโปรดคนนี้สิทธิ์ไม่ปโปรดทําพูดเบาๆับคนนี้แล้วก็มองคนนู่นเนะียให้ระแวงกันนะในสุดลูกศิษย์แตกกันหมดเลยเพราะวันหนึ่งตีรักทางแล้วไม่มาประชุมกันนั่นแหละวสการลพราหมงก็แจ้งไปที่พระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยกทัพมายึด พวกนี้ก็บอกใครเก่งก็ออกไปลบสิอยู่กันเฉยหมดเลยเพราะแตกกันแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องใช้กํำลังเลยยึดแคว้นวัดฉีได้เรื่องนี้มีผู้เอามาแต่งเป็นคําฉันที่ได้รับการยกย่องในสมัยนการที่บอกว่าเป็นอฉันที่ดีที่สุดอ่ะในสมัยนั้นเนี่ยคืออะไรรู้ไหใครนึกออกไหมสามารถขีเพศคําฉันเรื่องนี้ สมัยนี้นึกไม่ออกมันถึงได้ทะเลาะกันเนี่ยไปอ่านนะฉากที่วัชการลาามวัชการลพามนี่นะโดนเครียด น, นะแล้วเลือดซิบๆเนี่ยนะแล้วก็ไปหาเจ้าลิชวีเนี่ยคนแต่งชื่ออะไรระก็ยังไม่รู้อยู่ดีชื่อชิดบุรทัศเขาเขียนอย่างนี้นะบ่งเนื้อก็เนือเน้อเต้น พิสะเส้นสะรีรั ว, รวทั่วร่างและทั้งตัวก็ ร, ริกริร้วไหวเห็นภาพเลยไปอ่านซะจะได้สามนาทีกัน <Okay. S 1> แล้วก็นี่คือทำไมธรรมมาพิบาลจึงสำคัญไม่มีธรรมมาพิบาลประเทศชาติล่มสลายอย่างไรแฟนว่าจีเป็นตัวอย่าง สุนูก็พูดไว้แบบเดียวกันพรธเจ้าก็สอนไว้องค์กรก็เช่นเดียวกันเวลาหน่วยงานภายนอกจะมาตรวจแกไน่จริงกับชี้แจงดิสต ง, งมาปปช ม, มาชี้แจงดิฉันไม่เอาด้วยไปทั้งบาลเพราะเกี่ยนกันผลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนทีนี้หลักธรรมอาิบาลเนี่ย ถ้าพูดในภาษาธรรมะมันคือธรรมาธิปไตยเรามีศักด์ของเรานะแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าใจว่าธรรมมาธิปไตยคืออะไรก็เลยไปบรร ญ, ญัติธรรมาธิบาลอธิปไตยก็คือเป็นใหญ่เป็นใหญ่ก็คือดูแลปกครองด้วยธรรมะเวลาถึงพูดอธิปไตยเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่อำนาจในการบริหารจัดการเนี่ยก็คือแรงจูงใจในการทํางานมันมีสามอย่าง อย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าอัตราธิปไตยเราตัดสินใจโดยเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นสําคัญอันที่สองโลกาธิปไตยคนอื่นเป็นใหญ่อันที่สามคือธรรมมาธิปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่เอานิติธรรมเอากฎหมายเอาอะไรก็ตามสามอย่างนี้ที่มันเป็นธรรมมาพิบาลคือข้อสเราเรียกว่าธรรมมาธิปไตยนี่ นี่อยู่ในพระสูตรนะคำเก่า 2,500 กว่าปีมาแล้วอันเนี้ยคำจริงๆของเราเนียที่น่าจะใกล้เคียงกับธรรมาพิบาลคือธรรมาธิปตไต<ด>ยแต่หมายถึงอะไรล่ะอัตตาธิปไตยนี้หมายถึงแรงจูงใจในการทำงานถ้าเอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเราเรียกว่าอัตตาธิปไตยถ้าตัดสินใจโดยเราเท่านั้นถูกคนอื่นผิด เหมือนกันเจ้านายเนี่ยเวลาจะตัดสินให้คุณหรือว่าลงโทษไทยเนี่ยบอสเจ้านายตัดสินแล้วถูกต้องเจ้านายหรือบอสมีกฎอยู่สองข้อที่เป็นอัตราที่ปไตยเนี่ยนะเขาจะเขียนไว้ที่ข้างฝานในที่ทำงานกฎข้อที่หนึ่งบอสไม่เคยทำอะไรผิด กดข้อที่สองถ้าคิดว่าบอสทําอะไรผิดโปรดดูกดข้อที่หนึ่งนั่นคืออัตราธิปไตยส่วนโลกาธิปไตยอย่านึกว่าดีนะไม่ใช่ประชาธิปไตยโลกาที่ปตไตยแปลว่าคนอื่นเป็นใหญ่คนอื่นเป็นใหญ่หมายถึงว่าแล้วแต่ว่าใครจะมากดดันถ้าเป็นอัตราธิปไตทายนี่ ถูกต้องคือถูกใจค้าพระเจ้าอะไรที่ถูกต้องคือถูกใจครัพระเจ้าโลกาที่ปไตยถูกต้องคือถูกใจทุกคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกโลกาที่ปไตยเนี่ยจึงพยายามเอาใจทุกคนแล้วก็เป็นใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเรื่องกับครใจดีเนี่ยกลุ่มนี้มาก็อะดีแล้วดีแล้วนะ ปณีปน้อมสูงนั่งเป็นประธานที่ประชุมเนี่ยเราจะรู้เลยนะไปเวลาไปประชุมเนะใครเป็นอันตราที่ปไตยโลกาที่ปไตยจะรู้ถ้าเป็นอันตราที่ปไตยเนี่ยประธานพูดอยู่คนเดียวสรุปเองด้วยนะเห็นด้วยหมดใช่ไหมครับจบเคยไปประชุมนะที่กระทรว ง, งศึกษาธิการสมัยมีองค์ชายสิบสี่นานมาแล้วอธิบดีคนหนึ่งนั่งเป็นประธาน พูดอยู่คนเดียวสรุปเองตอนหลังนึกได้โอ้ว่ามีพระมีคนอื่นคนนอกมาด้วยก็เลยทำเป็นพิธีหน่อยประเออที่ผมพูดมานี้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นมากไหมครับมีข้าราชการสี่แปดคนหนึ่งนั่งอยู่ข้า ง, างอาตมากระซิบสะเก็จสมาบอกท่านที่ประธานพูดเมื่อกี้มันไม่ถูกเลยนะมันอย่างงี้นันท่านช่วยค้านเลยสิท้านประธานนะให้อาตมาพูดแทน อาตมาก็เลยถามว่าอะไราไม่พูดเองอ่ะเป็นตั้ง48ไม่ได้หรอกครับถืนพูดผมไม่ได้ผุดด้วยเกินน อ, อ, อยุให้พระทะเลาะแถน<อ> <laughs> เออก็บอกได้เลยว่า <laughs> เป็นอัตตาที่ประไตอีกโก้เก่งคนเดียวโลกาที่ประไตเป็นยังไงรู้ัหมนั่งเป็นประธานที่ประชุม นั่งเงียบเบิดพระประธานไม่พูดไปจากพูดอยู่สองประโยคเปิดประชุมและอีกประโยคหนึ่งปิดประชุมเลขาต้องคอยบอกบทแล้วเวลานั่งนิ่งมากๆเข้าคนมันก็เถียงกันดิฝ่ายนี้เสนอฝ่าย น, านู้นอ่านทะเลาะ ก, กั น, นวุ่นวายประธานแท่นรางทานก็เลยบอก ที่คุณเสนอเนี่ยผมประธานฟังแล้วดีเหลือเกินใช่ไหมใช่ไหมด็พอแล้วครับเริ่มพูดได้แล้วครับฝ่ายค้านมันก็บอกประธานมันพูดไปได้เรื่องเลยประธานไปเห็นด้วยมันได้ยังไงอ่ะเออมันไม่ได้เรื่องเลยเออคุณก็บค้านดีนะครับใช่ไหมใช่ไหมไอ้คนอยู่ตรงกลางลำทานประธานมันจะถูกทั้งสองฝ่ายได้ยังไงทําไมประธานรูเลยนะคุณก็พูดถูกแล้วได้คนแต่เสียเรื่องงาน โรกาที่ปไตยนะได้คนคนชอบแต่งานไม่เดินส่วนอัตาที่ปไตยได้งานแต่คนไม่ชอบเราอยากจะทํางานให้ได้ทั้งคนคนก็ชอบงานก็สําเร็จต้องเป็นทรมาที่ปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่อย่างที่ธรรมาว่าถ้าเรามีหลักที่ดีทําหลักการถูกต้องเนี่ยเป็นธรรมเนี่ยคนก็ชอบแล้ว ใครไม่ทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงนินคนมันก็ทำงานองค์กรมันจะไปของมันเองแต่เราจะต้องแสดงจุดนี้ผู้นาซึ่งธรรมมาธิบปตัยเนี่ยเอาธรรมะเอาหลักการเป็นใหญ่ได้ทั้งคนได้ทั้งงานนั่นคือธรรมมาพิบาล น, นั่นแหละเราดูอันนี้เลย ถ้าเป็นอัตราธิประไตมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบวินลูสฉันชนะเธอยอมฉันแพ้ฉันถ้าเป็นโลกาธิ่ประไต ย, ยอมไปหมดเพื่อได้เป็นใหญ่แต่ว่าองค์กรส่วนรวมเสียก็เลยลูสวินส่วนรวมพันแต่ทุกคนสร้างดาวคนละดวงแต่ถ้าเป็นธรรมมาธิประไตจะเป็นวินวินนั่นคือธรรมมาพิบาต ดูแลแม้แต่เสียงข้างน้อยที่ว่าธรรมาพิบาลเนี่ยทุกฝ่ายจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นอะไรต่างๆได้หมดทุกคนมีส่วนได้เขาจึงต้องการให้เป็นธรรมมาพิบาลไงธรรมมาพิบาลก็คือต้องเป็นธรรมมาธิปไตยอย่าเป็นอัตตาธิ่ปไตยหรือโลกาธิปไตยแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะไม่มีใครได้เลยอย่าง ข้อที่หนึ่งยังมีฝ่ายหนึ่งได้แต่เป็นตัวคนหนึ่งโลกายทิปตไงได้ทํามาด้วยตาะไดแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งถึงไม่มีใครได้อานาทิปตยทะเลาะ ก, กันจนวงแตกหดอนอาขียฉันไม่ได้แกก็อย่าได้ฉันไม่ได้เป็นคณะบดีแกก็อย่าได้เป็นเลยคนอื่นมาเป็นเลยนอกคณ ะ, ะโมวัวแต่ทะเลาะ ก, กันแบ่งเค้กไม่ลงตัวไม่ได้พูดถึงที่นี่นะพูดถึงธรรมะทั่วไป <c oughs> ธรรมมาที่ปะไตยเนี่ยการที่เราจะได้ครึ่งหนึ่งคนอื่นได้ครึ่งแสดงว่าเราต้องยอมเสียบ้างถ้าเป็นอัตราที่ปะไตยเนี่ยแสดงว่าไม่ยอมเสียเลยนะเอาเต็มร้อยนะแต่ถ้าเราให้คนอื่นเขามีที่ยืนบ้างเนี่ยธรรมมาที่ปะไตยหรือธรรมาพิบาลเนี่ยมันเข้ากับคำว่า winning the battle losing the war ที่ขึ้นปกอีโค o นมิส ไปซื้อเล่มนี้มาเลยลงทุนเพื่อจะมาเทศนี่แหละเดี๋ยวจะหาว่าพูดเองมันต้องเป็นวลีที่สำคัญนะไม่งั้นอิคโนมิสไม่เอาขึ้นปกเะคือพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่หาหลักฐานไม่ได้อ่าอิคโนมิสพอดีเขาบอกว่างี้ชนะศึกแต่แพ้สมพรคนที่ชนะศึกแต่แพ้สมพรก็มีคนที่แพ้ศึก ชนะสงครามก็มีท่านว่าอย่างไหนเป็นธรรมอาธิปไตยคําว่าวินวินและเป็นธรรมอาธิปไตยเนี่ยคือประเภทไหนระหว่างชนะสึกแต่แพ้สงครามกับแพ้สึกแต่ชนะสงครามแบบไห น, นคนที่เป็นธรรมอาทิบาลธรรมอาธิปไตยเนี่ยวินวินเนี่ยต้องยอมรู้จักแพ้บ้างไม่ใช่เอาชนะตลอด ให้คนอื่นเขามีที่มีทางบ้างจีนเนี่ยนะเอซุนมูเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกมันจะสู้สุดฤทธิ์แต่ให้มันมีทางหนีเข้ามันมันก็จะไปตามบุญตามกรรมแต่ถ้าท่านไปไล่ต้อนมันจนจนตรอกมันสู้ตายมันกัดแล้วนะเพราะฉะนั้นเหมาเจ๋อตุ้งเนี่ย ลบแผ่นินใหญ่ชนะหมดแต่ไม่ต้อนเจียงไครเช็กให้จนตรอกให้ไปอยู่เกาะไต้หวันนั่นแะคือภูมิปัญญาจีนมองอีกแง่หนึ่งก็คือไม่กินรวบให้เขามีที่มีฐานและเมื่อให้เขามีที่มีทางแสดงว่าเรายอมถอยบ้างใช่หัหยเราไม่ได้ชนะไปทั้งหมดเรายอมแพ้บ้าง แต่ส่วนรวมเอาอยู่ภาพรวมเราชนะชนะใจชนะคนเพราะเรายอมถอยฉะนั้นมันจะมีว่าเรายอมแพ้ในภาพย่อยแต่ชนะในภาพรวมกับชนะในภาพย่อยแต่แพ้ในภาพรวมคืออะไรรู้ไหมที่เกี่ยวกับพวกเราเนี่ยบางคนเก่งๆนะ เป็นอาจารย์ที่ประตางเขียนวีรพลใครวิรพลค่าใครจะแตะอาจารย์ที่ปรึกษาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ดีเฟนเก่งเหลือเกินดีเหลือเกินในที่ประชุมเถียงเขาไปทั่วหมดชนะศึกไม่ต้องวีรพลเราไม่มีใครแก้แต่ไม่จบปริญญาเพราะไม่แก้ตามที่กรรมการเอาเนก เขาเรียกว่าชนะศึกแต่แพ้สงครัมกับพวกที่ยอมแก้ผ่อนปลนแต่เรียนจบอะเอาแบบไหนอะนั่นคือธรรมมาธิปไตยธรรมมาพิบาลต้องให้ผู้อื่นเขามีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจไม่ใช่เราเก่งอยู่คนเดียวในบ้านในชีวิตครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะกันไม่มีใครยอมใคร ต่างฝ่ายต่างชนะขิงก็ราขาก็แรงชนะศึกแต่แพ้สมคราคือต้องหย่ากันครอบครัวแตกแยกกลับยอมถอยบ้างจานบินมาก็หัดหลบบ้างหรือ่ไปอะไรกันนักกันหนาแต่ครอบครัวมันอยู่ได้อะถ้าเรียกว่าแพ้ศึกแต่ชนะสมคร คนโบราณเขาจึงพูด่ายังไง ร, รักยาวให้บั่งรักสั้นให้ต่อรักยาวแต่ให้ตัดมันบ่านมันรู้มันกลับกันนะรักสั้นแต่ให้ต่อรักยาวจะคบกันยืดยาวให้บังคําพูดที่เถียงคำคำไม่ตกฟากเนี่ยตัดลงไปบ้างมันจะคบกันยืดยาวในคณะก็เหมือนกันอภิปรายกันน้อยหน่อยออ มันจะได้อยู่กันนานรักยาวให้บันรักสั้นคิดว่าอยู่กันปีสองปีก็ตามสบายต่อความยาวสาวความยืดเดี๋ยวก็พังเพราะฉะนั้นทำมาพิบาลมันคือการเคารพสิทธทิคนอื่นด้วยนะเ อ, อเนี่ยที่ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเราไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของแห่งเดียวทุกคือคนอื่นเขามีสิทธิเขามีที่มีทางอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกมันวินวิน ธรรมมาธิปไตยสมเด็จมหาวีรวงศิษฎะมหาเถระท่านแต่งไว้หลายสิบปีน่าจะก่อนตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านพูดว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ายากฝากให้คิดที่ว่าอย่าเป็นเถียงชนะตลอดแต่ต้องโง่บ้างโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ายากฝากให้คิดทานชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดที่ผล ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปลาดปลื่นต้นโง่สิบผลดีกว่าเบิงเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวหัดโง่บ้าแต่ไม่แต่ไม่ใช่โง่จนแนมเรียนเกินฉลาดบ้างก็ได้ยังไม่ฉายแววสักทีบอกทำตามวันนี้มันกระเลื่อนเลยรู้ว่าเมื่อไหร่ควจะโง่เมื่อไหร่ควจะฉลาดต้องรู้โง่รู้ฉลาดไม่หมายถึงเมื่อไหร่ ตอนไหนโง่บ้างทำไม่รู้ไม่ชีแบ้างอาวุธกนาไมตาไปได้บ้างเวลามาตรวจใช่ไหมเขาบอกผมปิดตาข้างหนึ่งเ่มันไม่ได้ตรวจร0อยเอร์เซ็นต์นะโง่บ้างก็ได้นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของการมีที่ไทยคนอื่นวินวินเรื่องของการมีส่วนร่วมทรมาธิปไะยหลักนิติธรรมเอาธรรมะความถูกต้องที่ว่ามาคือสี่ข้อพูดมาแล้วเนะ ทีนี้ไปข้อที่ห้าที่ว่าหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมเนี่ยคนไปวงเล็บคำว่า e t h i กกันเป็นส่วนใหญ่หรือ v ัชชุมันทำให้คำนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคำนิยามในปีสีสองอ่ะไอคำขยายความไม่ใช่นิ่งคำขยายความคือเนื่องจากเขาไม่ได้ใส่ภาษาอังกฤษเราก็ไปเดาเอาแล้วพอใส่ภาษาอังกฤษผิดมันก็ตีความผิด หลักคุณธรรมเขาเขียนไว้อย่างนี้การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมืองสังคมและประเทศชาติยึดมั่นในความถูกต้องดีงามรุรแรงให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม ส, สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้มีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินยัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ 2-3 ประโยคหลังเนี่ยทำให้คนเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเอ h ิกส์มันเป็นเรื่องว i r ช u ว เ, เอติกส์คือจริยธรรมว i r ช u วคือคุณธรรมซึ่งมันคนละเรื่องกับเมริซิเต m มเมริซิเตมคือระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมคือ2ประโยคแรกเนี่ยประโยคแรกส่ ง, งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคมและประเทศชาติยึดมั่นในความถูกต้องดีงานคำพูดนี้เขาหมาย merit system ในภ า, านษาอังกฤษหมายถึงว่ายกย่องคนเก่งคนดีให้เจริญก้าวหน้าในกิจการงานนั้นๆโดยตรงกันข้ามกับสปอยล์ซิสเตมระบบอุปถมัมระบบเล่นพักเล่นพวกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงหลักคุณธรรมเนี่ยในทางมาวิบาลเนี่ย เขาหมายถึงระบบระบบส่งเสริมคนเก่งคนดีตรงกันข้ามสปอยล์ซิสเต็มระบบเล่นพักเล่นพวกถามว่าที่พูดนี้มีสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องคุณธรรมนิสัยประจําชาติเราก็ต้องส่งเสริมให้มีคนเก่งคนดีเราจะสร้างคนเก่งคนดีเป็นนิสัยประจําชาติเนี่ย เก่งดีในเรื่องอะไรดีในเรื่องอะไรต้องมีลักษณะร่วมนิสัยประจำชาติเช่นความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินยัยอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นประสงค์นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อมีคนดีแล้วระบบเครีพาร์ทเนี่ยความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต้องส่งเสริมให้คนดีขึ้นไม่ใช่เอาพักเอาพวกขึ้นอันนี้อีกขั้นหนึ่ง ทีนี้ในในข้อหลักคุณธรรมจึงมีสองเรื่องต้องพูดทั้งสองเรื่องทีนี้คำถามว่าคำว่านิสัยประจำชาติคือนิสัยอะไรสมมุติว่าเราเป็นเราอยู่ในคณะเนี่ยเราจะสร้างลักษณะ น, นิสัยร่วมกันของนิสิตของนักศึกษาและของครูบาอาจารย์ทำงานร่วมกันให้หล่อหลอมเหมือนกันหมดเนี่ยอย่างที่เขาเขียนเอาคนซื่อสัทนจิงใจขยันอดทนมีระเบียบวิ น, นัยตอนนี้นะ ปีที่แล้วก็แล้วกันมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาให้มีแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติห้าปีนะปีห้าเก้าถึงหกสี่ทั่วประเทศนะทั้งพระทั้งโยมต้องสอนนิสัยประจำชาติให้เกิดขึ้นให้ได้สี่เรื่องกำลัลงรณ ล, ลงอยู่ก็คือ พอเพียงวิในสุจริตจิตอาสาอยู่ในแผนแม่บ ท, ทส่งเสริมพุทธธรรมแห่งชาติผ่านคลเรมมาแล้วทุกกระทรวงต้องทำหมดแม้กระทรวงศึกษาด้วยเนี่ยตอนนี้กำลังรณรงค์กันอยู่เริ่มจากคำว่าพอเพียงเป็นคีย์เวิร์ดของราชการที่กล่าวจิตอาส า, าเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคสนาสำคัญของราชการที่สิทเชื่อมกันนะ พอเพียงวิัยสุจริตจิตอาสาวิัยคือหลักนิติธรรมสังคมไทยเราไม่ค่อยยึดหลักนิติธรรมในธรรมิบาลมันถึงได้ทะเลาะกันให้ยึดวิในหลักนิติธรรมเรามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ยึดสุดจริตตอนเนี้บ้านเมืองมันปั่นบวบในเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยสุจริต จิตอาสาคือหลักของการทําประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมที่อยากจะให้ทํางานอย่างผาสุขเนี่ยมันจะต้องมีจิตอาสาด้วยเดี๋ยวจะพูดต่อไปและจะต้องมีความรู้จักพอเพียงมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะมีความสุขมันจะต้องมีความพอเพียงมีจิตอาสาทํางานอย่างมีวินัยอย่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมันจะรวมอยู่ในธรร ม, มาพิบาลอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไป แล้วทาไมรู้ตรงนี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ทําเรื่องเนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเดี๋ยประชุมกันทุกเดือนไม่ใช่ทุกเดือนสิปีนึงหลายครั้งที่ทําเนียรัฐบาลเนี่ยและจนกระทั่งเข้าครมอออกมาทีนี้มาถึงพูดถึงคําว่าระบบคุณธรรมกําหลักคุณธรรมเนี่ยซึ่งเหมือเมื่อกี้หลักคุณธรรมมันจะมีสองส่วนมันมีส่วนที่เป็นระบบกับส่วนที่เป็นนิสัยเป็นจําชาติ ระบบคุณธรรมคืออะไรคำว่า merit system คือกระบวนการรับและเลื่อนตาแหน่งบุคลากรในระบบราชการโดยอาศัยความรู้ความสามารถมากกว่าเส้นสายความสัมพันธ์เครือญาติหรือทางการเมืองตรงข้ามกับระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมก็จะ spoil system เล่นพักเล่นพวกเราจะไม่ค่อยคุ้นนะระบบคุณธรรมเนี่ยเพราะว่าประเทศเรายังไม่มี ประเทศที่ใช้ระบบเมริซิสเต็มระบบคุณธรรมมาร้อยปีมาแล้วคือสหรัฐอเมริกาเขามองว่าระบบอุปถัมมันทำลายสังคมอเมริกาอันนี้เขาก็บอกว่าระบบอุปถัมนี่เป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เขาเรียกผูกพันกับพรรคการเมืองซึ่งพรรคการเมืองเมื่อชนะเลือกตั้งเนี่ยก็จะเอาพวกตัวเองไปรับตำแหน่งสำคัญในราชการสมมติว่าพรรคริปัปปิการชนะนนเลือกตั้งอธิบปีทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะในกระทรวงเนี่ยเอาสายร e ปั b l i c a n เข้าไปนั่งเป็นอดีตปรเพราะรัฐมนตรีมันเปลี่ยนเพราะต่อมาอีกสี่ปี d e โ o c r a ตชนะเลือกตั้ง ทั้งฝ่ายเดโมแ ค, คกตก็เอาอธิบดีของพวกริบไปเปกันออกหมดเลยเพราะฉะนั้นข้ะรา ก, การทาอะไรรู้ไหมเก่งว่าทักไหนจะมาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะลงไปช่วยเลือกตั้งหาเสียงเขียนสปีชให้ผู้สมัครประธานาธิบดีก็มีเอาเงินไปช่วยก็มีหวังว่าเมื่อเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะมาอุปถมัมภ์ มันเหมือนอย่างนี้เขาเรียกคว่าสปอยในชะ่ไหมสปอยหมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาในการลบทับจับสิ่งเราไปลบชนะประเทศไหนก็ตามของทุกอย่างที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นของเรานั่นเขาเรียกสปอยคือสิ่งที่ลบชนะมาเมื่อประธานาฤฤธิบดีชนะเขาก็มีสิทธิ์ได้ทั้งประเทศเข้าราชการด้วย เมื่อคุณมาเป็นรัฐบาลมีรัฐมนตรีอยู่ในตัวรัฐมนตรีก็เปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงมาเลยประเทศไหนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นข้าราชการนี่เขาจะบางทีเนี่ยเตรียมการไว้ก่อนว่าใครจะมาสนับสุนไหมนกหลายหัวแหละมันก็เกิดขึ้นในสปอยล์ซิสเต็มนี่ยังไม่พูดถึงในมหาวิเลยนะพูดถึงมันไกล ใครจะไปนอธิการเป็นอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมาเป็นแผง น, นะรองกลุ่มนี้มันกนไปกลุ่มใหม่มันก็มาอันนี้มันเป็นระบบมันระบบอเมริกาก่อนและมันมาเกิดเรื่องขึ้นนะในสมัยประธานาธิบดีชื่อกาฟิลสองต่อปีสองพันสี่ร้อยี่สิบหกเขาเปลี่ยนระบบเขาเลือกระบบนี้นี่ในปีสองพันสี่รอยยี่สิบมันเกิดเรื่อง มีการหาเสียงไอ้สปอยล์ซิสเต็มมันทำลายสังคมเขาอย่างไงคือในปี2420เนี่ยมันมีการเลือกตั้งคนที่หาเสียงคนดึน่ชื่อการฟิลหาเสียงเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนเขาเก่งว่าจะได้ก็ไปช่วยกันลุงเพราะประธานาธิบดีคนนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่ไปช่วยเนี่ยเขาจะทวงบุญคุณ จะขอตำแหน่งขอไปเป็นอธิบดีที่นี่ขอไปเป็นโนดเป็นนี่มีนักกฎหมายคนหนึ่งเป็นลอยเยอร์นะแกะเขียนสปีชุนทรพน์เวลาหาเสียงเนี่ยให้กาฟิลกาฟิลก็เอาไปใช้หาเสียงไปพูดพอประธานาธิบดีคนนี้ชนะเลือกตั้งแกก็เขียนจดหมายไปทวงขอตำแหน่งขอไปเป็นเอกอัคราชทูตที่กรุงปารีส ไอ้พวกหน้าห้องไม่ยอมให้และไม่ยอมเสนอให้ประธานาธิบดีและอ้างว่าไม่ได้เอาไปใช้แค่โกรธมากๆเลยลอยเย่อคนนี้ยวันหนึ่งขณะประธานาธิบดีกาฟิลเนี่ยปีปีสองสี่สองสี่กำลังมาพบประชาชนแกเอาปืนไปยิงเขาตายยิงประธานาธิบดีตา ตำรวจจับว่าทำไมยิงแกก็เล่าที่หมดว่าแกเนี่ยทำบุญคุณกับปรินาที่บดีไว้ช่วยหาเสียงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ตอบแทนสมควรตายเป็นเหตุให้รัฐสภาเนี่ยมองเห็นโทษภัยของระบบอุปถัมจึงออกกฎหมายกอพอของอเมริกาในปี2426ยกเลิกระบบอุปถัม คำว่ายกเลิกอุปถัมภ์คือยังไง ร, รู้ไหข้าราชการประจําให้มีระบบแต่งตั้งโยกย้ายโดยระบบเขาบริหารโดยข้าราชการการเมืองเข้าไปแตะไม่ได้ใครจะเป็นประหลัด ก, กระทรวงเป็นอธิอธบดีเนี่ยมันจะมีวิธีเหมือนบ้านเราก็คือระบบสารทุกอันนี้ใครจะเป็นประธานสารดีการมันเป็นเรื่องของสารเขากระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวเขาแยกระบบ ข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองเวลาเปลี่ยนประธานธิบดีเขาจะเปลี่ยนได้เฉพาะในสรรมเียบขาวเท่านั้นเองข้างนอกไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นข้าราชการทั่วไปเนี่ยมันจึงเป็นระบบเมอริซิสต์เต็มใครเก่งขึ้นใครไม่เก่งอยู่ในระบบนี้ไม่ได้เคยเจอคนไทยไปทำงานอยู่ที่ชิคาโกถามว่าคุณก็เก่งแล้วทาไมมา อยู่เมือไทยคนอย่างผมไม่จเจริลก้าวหน้าเลยครับปากโป้งแต่อเมริกามาเลื่อนผมเอาเลื่อนผมเอามันชอบคนแสดงออกไปเจอนิสิตปริญญาโทคนไทยเครียดเพิ่งมาได้หกเดือนทําไมอรัเครียดผมได้ทุนครับชิ้นทุนอเมริกาได้ไ ด, ได้เกียรติยศดับดึงเกรนลูกอย่างในมหาวิทยาลัยผม เป็นนิสิตที่ดีที่ได่นเขาเรียนนิสิตยอยู่กรุงเทพมาใช้เวลาทกรุงเทพเขาเอ่ยชื่อแต่พอมาอยู่อเมริกาผมกลายเป็นนิสิตเป็นเด็กมีปัญหาในห้องเรียนปรับตัวยากมันดีที่หนึ่งแต่ไม่ดีที่หนึ่งถ้าไม่มีปัญหาหละ่ะคืออย่างนี้ครับผมอยู่เมืองไทยผมเรียนกับอาจารย์ผมเป็นเด็กเรียบร้อยครับ ไม่ถามไม่ซักไม่อะไรต่างๆคนระับฟังอย่างเดียวจนอย่างเดียวได้เอทุกวิชาผมผมมาเรียนในอเมริกานะไอ้นักศึกษามันช่างทักช่า ง, งถามผมมันก็ติดนิสัยนิ่งเงียบอาจารย์เขาอาจารย์ฝรั่งเลยถามว่ามีปัญหาอะไรเหรอไม่พูดไม่จาโฮมซิกเหรอยังไม่หายคิดถึงบ้านเหรอแล้วผมแล้วลองคิดดูสิครับถ้าผมหัดพูดหัดหัดถาม ผมจะกลับไปอยู่เมืองไทยได้ยังไงจะทำยังไงทีนี้กลับมาเรื่องระบบประชีเนการฟีดลนยิงตายไปเขาก็เลยออกกฎหมายแยกระบบข้าราชการประจำออกกับข้าราชการเมืองเราและใครจะเจริญเติบโตในข้าราชการประจำ ต้องใช้ merit system เราอยากจะทำแบบนี้ในประเทศไทยทำไม่ได้เพราะมันมีระบบคุณธรรมไปทั่วหมดแต่ถ้าไม่พูดวันนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครทำเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขาให้ทำแต่ยังไม่ยังไม่ยินใครพูดเลย รัาธรรมนูญชั้ปี60เนี่ยมันมีคนสอดใส่เรื่องระบบระบบคุณธรรมก็ไปด้วยแต่ถ้าไม่ดูจะคนจะไม่รู้เลยว่าเป็นระบบคุณธรรมและเราถือว่าเป็นธรรมมาพิบาลประการหนึ่งนี่คือมาตรานี้ม า, านมาตรา76วรรค2รัชธรรมนูญปัจิบตัติการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไ ป, นปนตามระบบคุณธรรม ไม่ใช่หลักคุณธรรมด้วยเขาใช้ระบบคุณธรรมเลยเมริซิสเตมเลยซึ่งตรงกันข้ามกับระบบอุปธรรมเห็นโดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวไกลหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการรัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับแต่งตั้งหรือพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความดีความชอบโหถ้าเป็นไม่ได้ในประเทศไทยเปลี่ยนเลยนะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญน่าจะต้องส่องกล้องอาหานต่อไปเนี่ยยังไม่ ย, ไมยิไม่ได้ยินก็ใครพูดเร้วฝันจะเห็นเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบคุณธรรมคนเก่งคนดีจะได้รับการยกย่องเหมือนที่ในหลวงรัชการที่เก้าได้ตรัสไว้ว่าต้องยก ให้คนเก่งคนดีได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยคือระบบคุธรรมถ้าเอาคนเก่งคนไม่ดีขึ้นมามันก็จะเล่นพักเล่นพวกเป็นระบบอุปถัมภ์ทันทีเราก็คอยดูกันไปนะว่าจะมีมกักมีผลอย่างไรหลักความคุ้มค่าการบริหารจัดการใช้ทรัพยายกรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคำว่า Effective ประสิทธิภาพคือ ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากเขาเรียกประสิทธิภาพประโยชน์สูงประหยัดสุดเป็นประสิทธิภาพเรามีคนอยู่แค่นี้มีอาจารย์แค่นี้แต่ว่าผลิตบัณฑิตผลิตอะไรต่างออบปดีเกินคุ้มแสดงว่าอาจารย์มีคุณภาพเรียนจบปริญญาไปโอ้โหจากมหาวิทยาลัยนี้ทํางานได้สารพัดนิสิตมีคุณภาพเพราะมีประสิทธิภาพสูง เขาเรียก Effectiveness เรามีเวลาสองปีทำมีดิพลิญาโทษจบภายในสองปีเรียนใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มส่วนประสิทธิผลไม่ได้เน้นการคุ้มทุนแต่มุ่งผลสำริดผลสำริดอาจจะแพงแต่ว่าออกมาแล้วรับประกันได้ร้อยเปอร์เซเช่นอะไรเอาคนเป็นพันคนทั่วโลกมาช่วยหมูป่าสิบามตัว ผูกแพงอย่าไปถามนะแต่ไม่ตายสักคนหนึ่งเน้นประสิทธิผลนี่ธรรมพิบาล น, นะอย่าไปว่ากันนะบริหารเป็นธรรมพิบาลทำไมเรายอมจ่ายแพงที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะรักษาตามเรียกเรียกว่ารักษาได้ฉับพลันตรงตามที่อาการเราเป็นไม่ต้อง หลายรอบไม่ต้องไปตรวจนั่นตรวจนี่เขายาแพงหน่อยแต่มันรักษาโรคอย่างนี้เขาเรียกเน้นประสิทธิผลก็แล้วแต่ความคุ้มค่าทีนี้ทั้งหมดที่หกข้อที่วามาเนี่ยมันเป็นทำให้ทำงานอย่างผาสุกอย่างไรคำว่าผาสุกมันมีคำคล้ายๆกันคือสุขแต่สะกดคนละอย่างนะ สุกสะกดด้วยขอไข่ราช บ, บัณฑิตยสถานบอกว่าคํ า, า, า, าว่าสุขหมายถึงสบายใจสบายใจส่วนผาสุขหมายถึงสบายสงบร่มเย็นทำมาพิบาลเนี่ยนะทำให้ทํางานอย่างผาสุขก็คือทํางานอย่างสบายสงบไม่ทะเลาะ ก, กันร่มเย็นเอาสักข้อก็ได้ให้สบายก็ได้สุขสงบก็ได้เย็นใจก็ได้ ถามว่าหกข้อที่พูดมาเนี่ยธรรมาพิบาลเป็นไปเพื่อการทํางานอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขดังที่กล่าวมาอย่างไรทีนี้คําว่าผาสุขเนี่ยสงบร่มเย็นไม่ได้หมายความว่าร่ำรวยนะมันไม่ได้หมายความว่ามีธรรมะธรรมะพิบาลแล้วจะรวยนะเพราะบางทีธรรมาพิบาลไม่โกงนะใช่ไหมเราไม่คอรับเช่นแต่ผาสุข จึงตั้งคำถามว่าความผาสุกมาจากเงินใช่หรือไม่เงินทำให้เรามีความสุขมีความผาสุกใช่หรือไม่มีงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเขาทำไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าหกถึงหนึ่งเก้าเก้าแปดว่าเงินมากขึ้นทำให้คนมีความสุขมากขึ้นใช่หรือไม่ เรามักจะนึกว่าเราจะมีความสุขผาสุขไ ด, ได้สองขั้นได้เงินโบนัสได้โอทได้อะไรต่างแย่งกันอยู่ตรงเนี้แล้วจริงได้มาแล้วเรามีความสุขไหมนี่คือคําถามเงินมากขึ้นทําให้มีความสุขใช่หรือไม่คําตอบคืออยู่ที่ว่าฐานของเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไห น, นคนเราจะมีความสุข เมื่อเราพ้นจากจุดรายได้ที่เราคิดว่ามันมันพอเคียงเท่ารเราเราเกินกว่านั้นนี่มันไม่สุขมากแล้วยกตัวอย่างตัวเลขนี้ในสังคมอเมริกันเนี่ยปีหนึ่งเก้าห้าหกเนี่ยคนมีรา ย, รายได้แปดพันกว่าบาทแต่คนที่มีความสุขนี จะมีรายได้ประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเนี่ยก็ไล่มาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยรายได้ของคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนถึง1998เนี่ยเป็นเกือบ 20,000 ดอลลาร์ต่อปีเป็น 20,000 ดอลลาร์ต่อเดือ น, นไม่ได้ทำให้คนมีความสุขมากขึ้น สรุปแล้วแม้ลายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ความสุขไม่ได้เพิ่มตามคนรุ่นหลังๆรวยขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ดัชนีความสุขความสุขที่ตอบมาเนี่ยเวลาถามเขาไม่ได้สุขเพิ่มเพราะอะไร คนไทยเมื่อร้อยปีก่อนไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างนี้ไม่มีรถยนต์ไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีโทรทัศน์ดูไม่มีอะไรเลยแต่ถามว่าคนไทยทุกวันนี้ที่มีเนี่ยมีความสุขกว่าคนไทยสมัยรัชกาลที่ห้าหรือไม่ความสุขเพิ่มเพราะอะไรก็เพราะว่าเราจะสุขมาก ต่อเมื่อเรามีไรายได้เกินจุดที่เราเราเราเพียงพอเราพอเพียงสำหรับคนอเมริกันเนี่ยคือจุดหกพันถ้าคิดง่ายๆนะซื้อเราไม่มีรถยนต์เรามีรถยนต์คันแรกเนี่ยสุขมากเนี่ยคือมันถึงจุดที่พอเรามีรถแล้ว พอรถคันที่สองความสุขไม่ได้เพิ่มเหมือนคันแรกนะพอคันที่สามถามว่ามัไปจอดที่ไหนความสุขไม่ได้เพิ่มตามรถยนต์ที่เพิ่มเงินก็เหมือนกันพอเรามีดัาระดับหนึ่งเนี่ยที่เราไม่เคยมีทําให้เรามีข้าวกินมีสินใช้เรามีความสุขหลังจากนั้นไปเนี่ยความสุขไม่ได้เพิ่มตามเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาเงินจึงไม่ใช่ตัวที่ทําให้เพิ่ม ความสุขเพราะฉะนั้นคนมีเงินเป็นหมื่นล้านกับคนที่มีเงินสมมุติว่ห้าหมืนหกหมื่นเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันในเรื่องความสุขอ่ะฉะนั้นเมื่อความผาสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุและมันอยู่ที่ไหนในการทำงานคุณมาสรุอิบูกะผู้ก่อตั้ง ของโซนีนะบริษัทโซ n y เนี่ยได้สรุปไว้น่าสนใจว่าการทำงานที่ผาสุขที่มีความสุขที่โซ n y เขาประสบในยุคบุกเบิกตอนต้นเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็คือเรื่องของ Innovation เรื่องของ Mission to Society แล้วก็ h า r d Content ซึ่งสรุปมาอย่างนี้ การทำงานที่ผาสุขไม่ใช่เรื่องเงินเป็นรางวัลตอบแทนแต่มันอยู่ที่หนึ่งมีโอกาสได้ทำงานสร้างสรรค์มีนวัตกรรมถ้าเราได้ทำอะไรที่มันสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีสิ่งใหม่ที่เราภาคภูมิใจเป็นความสุขข้อที่หนึ่งข้อที่สอง สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่คนอื่นไ่มเราทำแต่มันไม่เป็นประโยชน์ความพอใจความสุขมันก็ลดลงอีกข้อสามทำงานอย่างมีความสุขสามประด็ษการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานในมหาวิทยาลัยในคณะด้วยธรรมาพิบาลเนี่ยระบบ ระบบธรรมิบาลระบบคุณธรรมเนี่ยมันนำไปสู่การสร้างสารรค์มันนาไปสู่น ว, วัตกรรมและถ้าทำเพื่อสร้างสรรค์น ว, วัตกรรมนั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเช่น ง, งานวิจัยของเราเนี่ยมีคนเอาไปใช้หนังสือมีคนไปอ้างอิงล้วมีความสุขมีคนพูดถึงสอนคนฟังคนเอาไป ใช้ประโยชน์มันเป็นประโยชน์นี่คือข้อ2และข้อ3เราทํางานด้วยจิตใจที่มุ่งประโยชน์ข้อหนึ่งข้อ2มันให้ความสุขอย่างไรมาดูแต่ละข้อข้อแรกข้อ2ก่อนประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญ ต, ต่อการเป็นคนดีคนดีคือคนเช่นไรคนดีคือสับประลุบเนี่ยทำประโยชน์ แกคนเป็นอันมากเราอยากจะเป็นผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่ใช่อัตาตาธิปะไตยต้องเป็นธรรมารารรมาที่ประไตยธรรมมาที่ประไตยคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ก็คือธรรมมาพิบาททีนี้เมื่อเป็นธรรมมาพิบาลเนี่ยแรงความพร้อมที่เราจะทางาน ให้ได้ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยเราจะต้องมีสามอย่างหนึ่งเราจะทำงานที่มีนวัต ก, กรรมมีแรงสร้างสรรค์เนี่ยเราจะต้องมีความเก่งสติปัญญาของเราภาษาของเราถึงระเบียบระวิธวิจัยของเราถึงเขาเรียกว่าสมรรถภาพถ้าเราไม่มีสมรรภาพมันก็ลอกเขามันก็ย่าเท้ามันก็ไม่มีอะไรใหม่เพราะเก่งไม่พอ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดอะไรก็ตามความรู้อันนี้ก็ทำให้เราไม่มีความสุขแหละเราไม่ได้สร้างสรรค์ข้อที่สองเราไม่มีจิตใจเอื้อประโยชน์สุขแก่คนอื่นคิดถึงแต่เรื่องตัวเองจบอย่างขอไปทีมันก็ขาดคุณภาพ เป็นอาจารย์สอนไม่เตรียมการสอนอะไรต่างทําสักตะว่าให้จบๆไปทาหน้าที่ก็ไม่ประกันคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมุรไปว่าอะไรต่างไม่ได้ทําอย่างเต็มที่เหมือนผงจื๊อว่าเนี่ยเพราะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการของสมุรไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของผู้ใช้ไอทีไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา คนทำวิริยผลก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของคนที่จะมาอ่านมาใช้คุณภาพมันก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะคุณไม่ดีไม่ดีคือไม่คิดถึงประโยชน์สุขของคนอื่นเพราะเห็นแก่ตัวเกินไปและเมื่อทำงานอยากจะได้แต่เงินอยากจะได้แต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดถึงส่วนรวมไม่มีธรรมาพิบาลคิดหรือว่ามันจะได้ มันก็มีคู่แข่งพอแข่งแล้วคิดว่าเราจะไม่ได้มันเครียดขาดสุขภาพจิตขาดสุขภาพกายเพราะแรงจูงใจเป็นความเห็นเก่ตัวผิดพลาดล้มเหลวนี่ความดันขึ้นถ้าไม่ได้เนี่ยเสียผู้เสียคนเลยนะสอบเนี่ยนะถ้าเราสอบเพื่อมาเรียนเพื่อเอาความรู้ อบางคนแบบสอบไม่ได้อ่ะเรียนซ้ํามันจะได้ความรู้แน่เพราะเราจะได้ไปใช้ต่อแต่ถ้าสอบแล้วนี่ยมันเสียหน้าเสียชื่อพ่อแม่ดาบางคนผูกคอตายเพราะแรงจูงใจมันคนละอย่างแรงจูงใจมันไม่ใช่ความดีไม่ใช่คุณธรรมมันเป็นอัตตาทธิปไตยมันส่วนตนมันไม่ใช่ธรรมะที่บิดา ถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพสมรรถภาพา ค, คือพร้อมใช้งานแล้วผลิตบัณฑิตออกไปเนี่ยจบเอกด้านภาษาก็พร้อมที่จะใช้ภาษาได้ดีจบเอกด้านไหนก็พร้อมตรงนั้นเ้าเรียกมีสมรรถภาพเปิดปุ๊บติดปั๊บสอนได้พูดได้คุณภาพมุ่งความเป็นเลิศเพื่อให้ประโยชน์สุขเต็มที่แก่นคนอื่นสุขภาพมุ่งความพึงพอใจทําอะไรแล้วตัวเองก็ภูมิใจพอใจ ในงานวิจัยของเราในการอ่านหนังสือของเราแล้วไปแสดงออกไปพูดไปในต่างคนอื่น <c oughs> ก็พอใจทำงานและเป็นที่พอใจของตนเองและคนอื่นนี่คือสุขภาพฉะนั้นถ้าพูดถึงความผาสุกมันก็มาจาก 3. องค์ประกอบ 1. ความเก่งที่เรียกว่าสมรรถภาพ 2. ความดีที่ทำให้เรามีคุณภาพ และก็ขวาสามความพึงพอใจที่มีสุขภาพสามอย่างนี้มันจะเขาเรียกเปล่งและสมีอยู่ในระบบธรรมะพิบาลถ้าไม่ใช่ธรรมาพิบาลคนเก่งก็ไม่ได้ส่องแสงเพราะมันมีเล่นทักเล่นพวกไม่มีระบบคุณธรรมคนเก่งก็ไม่ได้เติบโตคนดีก็ไม่ได้เติบโตเขาก็จะมีความสุขได้ยังไง ถ้าไม่มีคนดีเขาจะมุ่งไปถึงความเป็นเล อ, อ่างไรระบบเขาเรียกว่าละบบธรรมอพิบาลมันเอื้อต่อคนเก่งคนดีที่จะมีความสุขอยู่ได้มันก็คือทำงานอย่างหาสุขอย่างที่บ ร, ริษัทโซนี่เขาพูดต้องมนีนวัตกรรมด้วยสมรรถภาพต้องเป็นประโยชน์มิชชั่นทูโซซิี้ประโยชน์กับสังคมด้วยคุณภาพ และทำอย่างมีความสุขถามว่าจะบรรลุถึงตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอะไรบ้างตอบว่าอิทธิบาสีอิทธิบาสีตัวฉันทะเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการทำงานในระบบธรรมะในระบบของธรรมะพิบาลสรุปแล้วเวลาที่เราจะบริหารจาัด ก, การให้เป็นธรรมาพิบาลเนี่ยแรงจูงใจต้องเป็นฉันทะไม่ใช่ตัณหา ตัวฉันทะจะเป็นวงแรงขับเคลื่อนให้ธรรมาพิบาลเนี่ยมันมันทำงานและเมื่อมีฉันทะตัววิฉันทะคือพอใจชอบใจวิริยะความการลงมือทําขยันมัจะตามมาจิตจักจิตตักฝักใฝ่กับเรื่องนั้นตามาวิมังสาการใช้สติปัญญานวัตกรรมมันจะตามมาทีนี้เรามาดูแต่ละข้อถ้าเรามีฉันทะเราจะมีความสุขในการทํางานที่เกิดจากฉันทะ เพราะสมาธิถ mm ้าเรามีวิริยะมันจะเกิดวิริยะสมาธินอิทธิบาทสี่นะความพอใจมันจะเกิดถ้าเรามีจิตตะมันจะเกิดจิตตะสมาธิถ้าเรามีวิมังษาจะมีวิมังสาสมาธิฉันทะสมาธิความพอใจเนี่ยนะมันทำให้เกิดสมาธิถ้าเราเรียนวิชาที่เราชอบ กับครูบาอาจารย์ที่เราชอบเนี่ยสมาธิมันจะเกิดในการเรียนนั้นแล้วเราจะมีความสุขเราไปดูภาพยนตร์ครั้งแรกนะดูโทรทัศน์ก็ได้เรื่องบุพเพ ส, สนิวาสอเจ้านยโอ้มีความสุขเหลือเกินเพราะเราชอบลองไปดูไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบสิฆ่ากันเลือดท่วมจอสิสมมติเบื่อแล้วไป ฉันทะมันทําให้เกิดสมาธิและสมาธิทําให้เกิดความสุขและความสําเร็จความเก่งสมาธิคืออะไรมาพูดถึงฉันทะก่อนถ้าเรามีแรงจูงใจที่เป็นตัณหาซึ่งแปลว่าความอยากมันจะมุ่งประโยชน์ตนเราบริโภคก็เพื่อความสุขของตอนเพื่ออะไรของตอนหมดเลยมันจะเข้าตัวเองหมดตัวตัณหาเนี่ย อยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากดังอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเขาไมายกยก่องเราก็ผิดหวังหรือเราไม่ได้ดังใจเราก็ผิดหวังแต่ถ้าเป็นฉันทะเนี่ยมันมุ่งประโยชน์คนอื่นเหมือนกับครูบาอาจารย์เตรียมการสอนเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เดืนเดือนแต่เพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์ได้ประโยชน์ได้ฟังได้อะไรต่างเนี่ยมันเป็น เกิดอะไรเกิดสมาธิในบรรยากาศสมมตินะีท่านท่านสอนท่านก็นรู้ถ้ามันลูกศิษย์นในขณะที่เราเตรียมการสอนเตรียมการนั่นนะ่ะแล้วลูกศิษย์วุ่นวายเหมือนจับปูใส่กระด้งชั่วโมงเดียวมันเหนื่อยแทบตาัแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจสนใจเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเพราะเรามีความคืนพอใจเรามีฉันทะตรงนั้นคนฝังก็มีฉันทะมันจะเกิดความนิ่ง สงสมาธิคืออะไรคือปักใจอยู่กับเรื่องนั้นชั้นสมาธิก็คือเอกขจาตาคิดเรื่องเดียวถ้าเราคิดเรื่องเดียวอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีความสุขทำไมคนที่เราชอบเราคุยกับเขาได้เป็นชั่ว โ, โมงเราไม่เบื่อเวลาหมดไปเร็วเพราะเราชอบเขากับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันใจเราจะวิ่งไปที่อื่น น, นู่นนี่ พูดตอนนี้เนี่ยไม่ฉันเพินนะเที่ยงจบนะไม่ต้องไปห่วงนะอยากฉันเรียดไปเลยพูดโดยฉันพักเลยไม่ต้องฉันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเรื่องเดียวที่กําลังพูดที่กําลังทำจิตมันจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราจะมีความสุขอย่างเราดูภาพยนตร์ดูหนังที่เราชอบเราก็มีความสุข เราทำงานที่เราชอบเราก็มีความสุขหลักมีอยู่แล้ว่าไม่มีสิ่งที่ตัวชอบก็ต้องชอบสิ่งที่ตัวมียังไงก็ต้องชอบแต่ไม่ใช่ชอบเพื่อประโยชน์ตนเมื่อชอบเพื่อคนอื่นทำประโยชน์คิดเรื่องเดียวเรามีความสุขสมาธิเจนอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทีนี้เรามาึกถึงสิ่งที่เราทำเพื่อความสุขเนี่ย มีสมาธิเราจะเกิดผลสํำเร็จเป็นแรงสร้างสารรค์เพราะตัวฉันท์ทาเป็นธรรมมาทิปไตยถ้าเป็นอาตาัตราธิปไตยแรงจูงใจเพื่อตัวเราเองถ้าเป็นธรรมมาธิปไตยแรงจูงใจเพื่อตนเองและคนอื่นและก็ส่วนรวมถ้าเป็นคนอื่นและส่วนรวมเราเรียกจิตอาสาเข้ามาเรื่องจิตอาสาทําไมคนที่ทําจิตอาสาจะมีความสุขเพราะ เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาไม่ต้องการเอาหน้าเขาต้องการช่วยหมูป่าส3บสาตัวให้รอดชีวิตและเมื่อเด็กรอดชีวิตเขามีความสุขเขากลับประเทศเขาเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาว่าทำไมเขายอมมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ในถ้ำถ้าหลวงเนี่ยมากินมานอนอยู่เท่านั้นล กว่าจะจบเนี่ยสิบเจ็ดสิบปดวันเนี่ยเขาได้อะไรไม่ได้แต่ที่แน่คือความผานสุขคือความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาซึ่งแรงจูงใจตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อการมาตัญหาคือเงินทองหรือของกินไม่ใช่ภาะวะตัญหาคือชื่อเสียงแต่เป็นฉันทะพอใจที่จะ ทำประโยชน์ให้ประโยชน์สุขช่วยเหลือเด็ก13คนซึ่งคนไทยก็สงสัยมากมันเป็นปรากฏการณ์ที่สอนคนทั้งประเทศว่าทำไมคนทั่วโลกต้องแห่กันมาช่วยกับเรื่องแค่นี้ที่บางคนวิจารแล้วเสียเงินเสียทองมหาศาลสิ่งที่ได้คืออะไรสำหรับคนที่มาช่วย ความผาสุกความสุขและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือระบบธรรมาิบาลการมีส่วนร่วมใช่ไหมรับผิดชอบอะไรอีกโปร่งใสขั้นตอนตามนั้นเลยถ้าทำผิดขั้นตอนคุณตายอยู่ในทัพผิดก็ไม่ได้และประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่อยู่ตรง น, นั้นหมด <c oughs> อ่ะเรามาดูกัน มันคือระบบจิตอาสาระดับโลกที่สังคมไทยได้เห็นส่วนมากเราจะเห็นระบบข่าวกลางคืน น, นะจิตอาสาประเภททำความสะอาดตรงนั้นตรงนี้นั่นมันเป็นระดับท้องถิ่นแต่อยู่ๆเนี่ยมันเป็นบทเรียนจิตอาสาระดับโลกที่ทําหลวงซึ่งมันสอดคล้องกับคำนิยามของคนที่มาเนี่ยสอดคล้องกับคานิยาม เรื่องจิตอาสาเลยคือแต่ละคนสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมในที่นี้คือเด็กและโค้ชสิบสามคนซึ่งไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานก็ เ, เลยโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือแม้กระทั่งเกียรติยศอื่นใด น, นี่คือจิตอาสาแล้วคนทำเนี่ยมีความสุขมีความผาสุขเนี่คือประเด็น โดยประโยชน์นี่มันจะมีสามกลุ่มเวลาเราทําเนี่ยเอาประโยชน์เป็นตัววัดจิตอาสาหนึประโยชน์ตนไหมถ้าเน้นประโยชน์ตนเป็นส่วนใหญ่เราเป็นอัตตาที่ประไตะ่ถ้าเน้นประโยชน์คนอื่นเป็นส่วนใหญ่คนอื่นได้มันเป็นโลกาธิปไตยเราไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งความสุขความภาคภูมิใจก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้วัดด้วยเงินด้วยทองแต่มันวัดด้วยความสุขความมึนพอใจ ก็ใช้ได้และประโยชน์ส่วนรวมอตัวคําว่าธรรมมาธิปไตยก็ดีธรรมมาพิบาลก็ดีเขาเน้นประโยชน์ส่วนรวมและในประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมีของเราอยู่ด้วยถ้าอัตถะอยู่ตรงนั้นถ้าคณะนี้คณะมนุษยสาสตร์คมศัสตรเจริญครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์นักศึกษาก็ได้ประโยชน์สิทธ์เก่าก็ได้หนะ้าด้วยมันได้ไปทั่วกัน แต่ถ้ามีปัญหามันก็ตกไปด้วยกันอันเนี้ยมันจะต้องช่วยกันประคับประคอบให้เกิดความภาคภูมิใจซึ่ง ม, มันวัดไม่ได้เป็นเงินเป็นทองน่ทีนี้จิตอาสาเนี่ยมีลักษณะดังต่อไปนี้ซึ่งในระดับโลกเนี่ยเราเช็คได้เล ย, เลยหนึ่งคนเหล่านั้นมาเนี่ยเขาเสนอตัวมานะ ขอมาร่วมแต่ละคนแต่ละประเทศต้องถามดูสิเขาขอมาขอมาช่วยอย่างที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าโอ้โหติดอยู่ในถ้ำอย่าง น, นี้เด็กอยู่ในอันตรายถ้าไม่มานี่ไม่รอดเขาต้องมาไทยนะั้สเปนเอ็กซทำซับมารีนนะเรือดำน้ำแล้วไม่ได้ใช้นะ่ะด่ากันอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็เสนอตัวมายังไม่เอาเ็าอีกนะ นี่ข้อที่หนึ่งนะเจตอาสาเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอยากจะทำเจตอาสาให้คณะนี่ไม่ต้องรอไปเกณฑ์ไม่ใช่ทหารเกณฑ์เขาไม่เร้กอาสาหรอกทหารเกณฑ์ต้องเสนอตัวเข้ามา <c oughs> ข้อสองเรื่องที่เราทำกิจกรรมนั้นต้องเป็นการแก้ปัญหาหรือช่วยพัฒนาส่วนรวมไม่ใช่ตัวเราคนเดียว ถ้าเราขยันทํางานให้ตัวเราเองเราจะเรียกว่าอาสาได้ไงถ้าเรามาอาสาทําให้คณะทําให้ภาควิชาทําประโยชน์แก่คน อ, อื่นไอ้เรื่องนั้นเป็นประโยชน์คน อ, อื่นนั่นแหละมันจึงจะเป็นงานจิตอาสาลแล้วข้อที่สามสมัครใจเต็มใจไม่มีการบังคับเราใจของเราอยากทําจึงมาเสนอตัว ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทนเราลองคิดทีฝรั่งที่เขามาต่างชาติที่เขามาเขาเสนอตัวเพื่อช่วยเด็กทำด้วยความเต็มใจสมัครใจเพื่อประโยชน์สุขของเด็กสิบสามคนไม่หวังจะได้หน้าไม่หวังเมื่อเมื่อวันแรกเนี่ยนะคือวันที่เก้าที่พบเด็กแล้ว ภาพที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไปอยู่ในเว็บไซต์ของซีลไทยเนี่ยที่ถ่ายภาพเด็กแล้วก็คุยกับเด็กเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ในเมืองไทยด้วยยังไม่รู้เขาคุยอะไรกันรู้แต่ว่าไปพบแต่บ b บเนี่ยเขาไหวมาก จะมาเช็คจากไทยนะี่ยังไม่รู้ว่าใครในะคนชื่ออะไรอะไรอย่งางไรใครพูดมันมีแต่เสียงกับภาพพูดอะไรก็ยังไม่รู้เลยหนังสือพิมพ์ไทยก็ยังไม่ออกจะมาไปเปิดเว็บไซต์ของบ b บ BBC เขาทั้งทีวีเขาก็เอาภาพขึ้นเขาถอดเทปคำสนทนาพุกประโยคที่ฝรั่งสองคนพูดกับเด็กอะ ถอดมาเลยแล้วสื่อไทยก็ไปเอาใจาตรงนั้นแหละมาแปลอาตมาก็ไปได้อ่านโอ้เป็นไทยเนาะยังไงเนาะมาจากอังกฤษนะแล้วสื่อไทยก็เอาชื่อฝรั่งสองคนที่ไปพบครั้งแรกเอามาลงยกย่องเขาเป็นฮีโร่เขาชื่อเหล่านี้เนี่ยสมาคมดำน้ำที่ส่งมาไม่ได้ให้ อไปอ่านไปดูบทสัมภาษณ์ในภาษาอังกฤษเขาไม่เปิดเผยชื่อว่าใครพบเขาไม่ได้เป็นคนให้บีบเพียงแต่เขาเป็นผู้สื่อข่าวเขาก็ไปดีแลสติกเก็เขาไปหามาแล้วก็เอาชื่อมาลงสื่อไทยก็เอามาลงต่อโดยที่ต้นสังกัดสมาคมดำน้ําที่ส่งมาเขาบอกเขาไม่ได้ส่งมาสองเขาส่งมาสามแต่นั้นเนะี่ย ส่งมาสามและเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนตอนนี้คือคือลักษณะจิตอาสาที่แท้จริงเลยของเขาและเขารักษากติกามาร ย, ยาทนี้แต่เรานี่พยายามจะบอกว่าใครทำอะไรเขามองว่าผลงานทั้งหมดมันส่วนรวมคนเป็นพันเนี่ยเป็นฮีโร่หมดไม่ได้แย่งผลงานแย่งความดีกันบัง ยกผลประโยชน์ให้ทุกคนทุกคนเป็นวีรบุรุษวีรสตรีนี่คือสปริษของจิตอาสาระดับนานาชาติฉะนั้นเมื่อทําตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความพึงพอใจอันนั้นแหละคือรางวัลตอบแทนของเขาก็ในทางพุทธศาสนาบอกว่า ถ้าเราจะทำจิตอาสาเราทำได้สี่อย่างหนึ่งการให้ให้เงินให้ท้องเราไม่ต้องลงไปเองก็ได้สองส่งกำลังใจไปพูดไปไม่ใช่เป็นพูดขัดคอเขาให้เขาโห่ไล่เนะและสามลงแับเขาเรียกอะไรไปช่วยแบกช่วยหามช่วยดับน้ำสี่ทำอะไรไม่ได้ก็ไปเยี่ยมนะไปถ่ายรูปหน่อยก็ยังดีว่าได้ไปสมารนัตตาก็แล้วแต่เราจะแสดงน้าใจอย่างไร ในในเรื่องนี้พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาในระดับนนาชาติอย่างที่เราเห็นมาในเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระราชริพพลของรัชการที่หกที่แปลมาจากเวนิสบานิสของเชคสเปียร์อันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็าหาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าโซลารายสุดแรงอยูกิจอาสาที่เป็นแบบเรียนในระบบสังคมที่เป็นธรรมมาพิบาลที่บริหารด้วยธรรมมาพิบาลเราให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกันทาแล้วเราจะมาเป็นวีรชนเอกนชนอยู่คนเดียวได้อย่างไรในสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีวีรบุรุษ ในกรวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีเป็นประเทศที่ไม่มีวีรบุรุษทุกคนมีส่วนสร้างชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันจะสวยงามทุกตารางเมตรวิวทิวทัศน์เนี่ยใครอยู่ตรงไหนเขาดูแลตรงนั้นหมดเลยแม้แต่ภูเขาก็สวยมีวัดไทยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่หลายวัดไปเยี่ยมไปดูก็ไปสังเกต แล้วทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อพระเราไปสร้างวัดใหม่ๆเราไม่รู้ไปตัดตัดตัดหญ้าในสนามหญ้าพอตัดหญ้าท่านก็เอาถุงใส่ขยะนึ่นมาใส่และก็ไปวางไว้ข้างนอกให้รถขยะมาเก็บปรากฏว่าสถานทูตไทยโทรมา ว่ามีคนโทรไปฟ้องทางบ้านบ้านที่อยู่ข้างวัด น, น่ะเขามองจากข้างบนให้ช่วยโทรมาเตือนคับที่กําลังตัดหญ้าหน่อยว่าทําผิดไม่ได้ผิดที่ตัดหญ้านะทําผิดที่เก็บหญ้าที่ตัดแล้วไปใส่ถุงผิดไอ้สูงถุงที่ใส่เนี่ยมันคือขยะที่เอาไปทําลาย ต้องไปใส่อีกถุงหนึ่งที่เอาไปทำประโยชน์ไปรีไซเคิลได้หญ้ามันมีประโยชน์ไปเลี้ยงวัวพระไม่รู้คนข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าธุระไม่ใช่นะเขาเขาไม่เขาไม่มาแทรกแซงโดยตรงแต่เขาโทรไปนู่นไปบอกให้มาบอกทีการมีส่วนร่วมการรักษาระเบียบวินัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่ง เวลาฝรั่งเขาเข้าแถวเข้าคิวเนี่ยนะใครอย่าไปรัดคนะิวน่ะไอ้คนที่รัดคิวเขาเนี่ยคนที่เราไปตัดหน้าเขาอาจจะไม่พูดแต่คนที่อื่นนะ่ยซึ่งถือว่ามา่ประท้วงแทนนะเนี่ยระบบส่วนรวมตรงนี้มันแปลกนะซึ่งไม่ใช่อย่างที่เราอยู่ในวัฒนธรรมเราบางเรื่องบางอย่างเนี่ย ไอ้ตัวธรรมาพิบาลมันขึ้นมาจากแร า, านวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรต่างโปร่งใสมันก็คือว่าทุกคนมีส่วนรู้มันก็โปรง่งใสทุกคนอย่างตาสับประรดเขาเรียกว่าเราก็าเรียกว่าซอเซเกือกอะ่ะซึ่งบางทีวัฒนธรรมเราไม่ไม่เอื้อนะแต่ในธรรมาพิบาลเนี่ยมันขึ้นมาจากวัฒนธรรมตรวนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมโปรง่งใสรับผิดชอบ เรื่องรับผิดชอบเนี่ยสังคมไทยพูด ไ, ไดว้นานละไม่ใช่ประชุกมกรรมการกันแล้วก็ไปรู้มอบหมายให้ใครต่างคนไปแยกย้ายกันไปมันจะมีใครทำมันจะต้องมอบหมายให้คนทำเวลาสงกรานเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าหน้าคให้น้ำกี่ตัวถ้านาคให้น้ำหลายตัวฝนแล้งหน้าคให้น้ำตัวเดียวฝนชุกเพราะมันมีผู้รับผิดชอบ Accountability ไอ้นาตัวเดียวนี่มันทำเต็มที่เลยนะนาหลายตัวมันเกี่ยงกันนะแม้แต่พญายนาก็ต้องมีธรรมาพิบัล น, นะและผิดชอบอ่แล้วก็หลักนิติธรรมได้พูดไปเยอะแล้วแล้วก็มาระบบคุณธรรมที่ว่ามาแล้วก็มาถึงเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งทำแล้วเนี่ยด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อ การใช้เต็มตามศักยาภาพสมรรถภาพของเราเนี่ยให้มีสร้างสารรค์นวัตกรรมและเป็นประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเนี่ยเราจะมีความสุขนั่นคือท ร, รมาพิบาลเนี่ยมันเป็นไปเพื่อทำงานร่วมกันอย่างขาสุขจริงๆและดู ด, ดูดีดูดีไม่ ด, ดีมันจะเป็นยูโทปเปียวนะเป็นสังคมในดงคติแนละสำหรับเรามันไกลเหมือนกันแค่ระบบคุณธรรมเนี่ย จะได้ทันเห็นหรือเปล่าคำว่าทันเห็นคือแก้กฎหมายนะแก้กฎหมายที่เหมือนอเมริกาแก้เมื่อ 2,424 กฎหมายกาพอพอเมริกาแก่แล้วของเราร่วงมาจนแบบ น, นี้ยังไม่มีแบบนั้นเลยแต่เราเริ่มเห็นแสงสว่างและโดยรัฐรมลูญได้เขียนไว้ให้มีระบบคุณธรรมและบัญญัติให้ไปแก้กฎหมายด้วยไอ้ตรงนั้นแหละที่บัญญัติ เพราะฉะนั้นก็เราคงจะต้องมาช่วยสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันพูดช่วยกันแสดงมีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือขยายแนวคิดในเรื่องเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ mm hmm. ก็จะทำให้สิ่งดีงามมากมายเกิดขึ้นและสิ่งดีงามที่พูดวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมฉลอง40ปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยนาสิ่งที่ เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมมาพิบาลธรรมมาพิตะธรรมาธรรมาิปไตยมาเป็นธรรมะบรรณาการแก่ท่านทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาก็ขอนุโมทนาท่านคณะบดีท่านรองคณบดีครูบ า, าอาจารย์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาและแขกทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นกุศลครั้งนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศล เกิดจากการฝั่งธรรมที่เรียกว่าธรรมมัสนะมยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้กิจการของคณะจงเจริญงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปสมมโูปฏิฐานที่ตั้งไว้ทุกประการขอทุกท่านเจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันนะสุขภัลละปฏิพานธรรมสารสมบัติธรนส า, ารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำ ก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จสม โ, มโนรถมุ่งมาตปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานคือน